ตอนความรู้ผิดทำให้เราติดบ่วงวันที่ส3บสาธันวาคม 2,558 ัรอาบกาบนบมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณมมชีกา ล, ละมิตรทุกคนก็นั่งสบายๆเนาะ <c oughs> ก็ทุกคืนวันอาทิตย์นะก็มีคำถามมา กูจะเข้าคำถามเลยเนาะคำถามแรกเมื่อกี้นี้เพิ่งยื่นให้เนาะในตัวเรามีครูบาอาจารย์และมีมานเราจะแยกถูกได้อย่างไรคะขณะที่นั่งร้องไห้ก็รู้สึกว่าจะร้องทำไมมาถูกทางหรื อ, อยังไม่เห็นจะมีความเปลี่ยน ให้รู้ได้บ้างเลยถ้าไม่มีอะไรเป็นสัตยานให้รู้บ้างจะไม่พามาที่ศูนย์อีกแล้วนะมันก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นไปอีกเหมือนผู้ใหญ่คู่เด็กให้ร้องไห้แบบนั้นเลยค่ะมานคือผู้ขู่หรือมานคือผู้ร้องไห้ ครูบาอาจารย์อยู่ไหนคะอย่าไปแยกชีวิตเราเป็นอย่างนี้เราถูกสอนให้เป็นนักนั ก, น, กนักเรียนฝ่ายเรียนรู้นะต้องฝ่ายเรียนรู้ที่จะเป็นคนดีในทางโลกนะอยากรู้ทุกเรื่องนะอยากรู้ทุกเรื่องเนะี่ยพออารมณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บก็คิดแล้วเออมันทาไมอันนี้ทาไมทาไมทำไม นะแต่ในทางจิตวิญญาณ น, นั้นกลับกันนะเรารู้อยู่แล้วว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์โคตรดำรงอยู่ได้ยากมันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนนะไม่มีอะไรต้องรู้ร้องไห้ก็ไม่ใช่ขู่ก็ไม่ใช่รู้เฉยๆนะในตัวเราตอนนี้ทอมันทำได้มันมีสองสองคนนั่นละคนปัจจุบันกับคนอดีต คือจิตเห็นจิตจิตเห็นจิตคือมรรคนะถ้าคนปัจจุบันนี่ไม่มีเหตุผลว่าจะมานั่งร้องไห้นะเออเราคิดทําไมอุปทานทําไมจะทําให้เรานั่งร้องไห้ทําไมนะมันก็เป็นเรื่องของข้างในทีนี้คือมันแย้งกันะนะมันแย้งกันไอ้ตัวที่มันแย้งกันน่ะเรารู้เฉยเฉยไม่ต้องแยกแยะเลยอะไรคือ อะไรคือใครอะไรคือจริงอะไรคือเท็จเพราะว่ามันไม่มีความจริงแม้แต่หนึ่งอย่างนะมันไม่ใช่ความจริงแม้แต่หนึ่งอย่างนะแม้กระทั่งเราละลึกชาติในอดีตเราเป็นโน่นเป็นนี่เป็นโน่นเป็นนี่ในอดีตเป็นจริงๆนะเป็นจริงๆเลยแต่ปัจจุบันมันผ่านไปแล้วมันเป็นอนัตตาแล้วนะเราเห็นอะไรก็ช่างรู้เฉยๆได้ยินอะไรช่างก็รู้เฉยๆที่เราปฏิบัติตรงนี้นะ ไม่ใช่มานั่งพิจารณาไม่ใช่มามานั่งเรียนรู้ว่ามันคืออะไรนะเรารู้อารมณ์นั้นอ่ะพอแล้วนั่นคือวิปัสนาถ้าคิดเพิ่มเติมปุ๊บเนี่ยเป็นวิปัสนึกนะเป็นวิปัสนึกขึ้ น, นึกเอามันจะไม่บริสุทธิ์นะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เอออารมณ์ปัจจุบันหรือเปล่าหรืออารมณ์ในอดีต นะอารมณ์ปัจจุบันที่เรียกว่าเวทนาในเวทนาอารมณ์ในอดีตเรียกว่าธรรมในธรรมธรรมอารมณนะจะเป็นปัจจุบันอดีตอะไรก็ช่างก็คือรู้เฉยๆเหมือนเรายิงเรายิงเป้าบินนะะั่นแหะเห็นปุ๊บเราก็ยิงนะพิจารณาไม่ทั น, นไปมายิ่งพิจารณายิ่งสับสนเออสับสนเลยเกิดลังเลสงสัยมันอะไรเราพยายามชีวิตเราเนี่ย เราสับสนกับตัวเองเพราะความลังเลสงสัยนิเกิดขึ้นม า, ากจากความหลกรู้อยากเห็นนะหลายปีมาเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเรานะถ้าคนคนไทยเราเนี่ยนะคนเอเชียในแถบนี้ตะวันออกตะวันออกก็มีหลายประเทศอยู่แต่เฉพาะคนไทยเนี่ยเราค่อนข้างจะมักง่ายอยากรู้ก็ถามอยากูก็ถาม ไม่เคยวิจัยเองเลยนะถ้าเราไปตะวันตกเขาอีกแบบหนึ่งนะไม่จำเป็นเขาไม่ถามเขาถามว่าเขาลองไม่ได้ไหมนะเขาลองก่อนเขาต้องรู้ด้วยตัวเขาเองว่าเขาได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะอะไรแต่คนไทยถามไว้ก่อนเพราะว่ามันติดใจไงแนนอนง่นนอนไม่หลับถามโอ้รู้ดีใจ นอนหลับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะถามอีกเพราะว่าเราเอาอาหารให้ตัวขี้สงสัยมันกินนะไอ้ตัวลังเลสงสัยนี่เป็นหนึ่งในนิวรหามันเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของเรามันไม่ใช่ถูกหรือผิดนะก็มันเป็นกินเลสเราแล้วไงเป็นความเคยชินเราแล้วนะบางคนเ้ามีเหตุผลนะนะก็มันไม่ลองไม่รู้มันต้องรู้ก่อนสินะ เขาบอกไม่ลองไม่รู้แต่นี่ต้องรู้ก่อนก่อนต้องรู้ก่อนค่อยค่อยยอมลองของเราต้องรู้ก่อนค่อยยอมลองอพอลองไปแล้วปุ๊บเอ๊ะทำไมมันร้องไห้อยู่วะออยากรู้อีกเห็นไหมเห็นไหมเราไมเาเาเา่เราแก้ตรงตรงทีเ่เขาบอกว่าถ้าเขารู้แล้วเนี่ยเขาสบายใจปุ๊บเนี่ยเขาก็เขาก็หมดทุกข์นะ พราครูบอกว่าไม่ใช่แก้ที่หายสงสัยนะต้องแก้ที่อย่าสงสัยนะตัวสงสัยมันเป็นตัวตันหาคือที่มาของทุกต้องดับความอยากนี้ให้ได้ก็คือว่าที่เราเข้าไปในนี้แหละไม่มีเวลาแยกเอ้ยใครยิงมาสีอะไรเอ้ยคล้ายทองคำไม่ยิงดีกว่ามันตกะนะรูปนามเกิดดับมันเร็วมากนะเราคุ้นเคยกับการ นั่งพิจารณาการฝึกส ม, มาถากรรมฐานเอาอารมณ์ต่า ง, างเอาฐานอะไรต่างเนี่ยมามาเป็นตัวกำหนดเพ่งพิจารณาเราคุ้นเคยแบบนั้นอันนั้นไม่ได้ผิดนะอันนั้นช่วงขั้นตอนฝึกส ม, มาถากรรมฐานเนี่ยเราใช้อุบายคำว่าอุบายเนี่ยเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งไม่ใช่หลอกลวงนะอุบายเพื่อให้จิตเราเนี่ยมีหน้าที่มันจะได้วางความคิดนะเมื่อมันวางความคิดมันก็เกิดความว่างมันก็สงบ แต่เป็นความสงบชั่วครู่ปัญญาไม่เกิดเพราะเราจะไม่เห็นอารมณ์เพราะเราไปกดอารมณ์ไว้เห็นไหมแต่ถ้าเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะเออไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องอะไรเนี่ยถืว่าเรานั่งเหวียงก็ช่างหรือเรายืนเฉยเดินเฉย น, นั่งเฉยก็ช่างเนี่ยนะเราเวียงเฉยเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเนี่ยเราจะเห็นอารมณ์ชัดไม่ใช่เห็นเฉยนะไอแนวที่เราทำเนี่ยนะไม่ใช่เห็นอารมณ์เศร้านะมันร้องไห้ออกมาเลย เห็นแต่กายภาพด้วยนี่คือกายเวทนาจิตธรรมมันเป็นมหาสติปฐานทั้งสี่ฐานนี่อยู่ด้วยกันเป็นหนึ่งเดียวในขณะจิตเดียวเราแยกไม่ออกละ่ะไอ้นี่อารมณ์ปัจจุบันหรืออารมณ์อดีตแล้วก็ไม่ต้องแยกด้วยเราแยกไม่ทันอารมณ์ปัจจุบันเกิดขึ้นก็มีประโยชน์เป็นเป้าให้เรายิง อารมณ์ในเด็กก็เป็นประโยชน์เป้าให้ยินเรายิ่งบ่อยๆ ย, ย, ยิ่งบ่อยๆเราก็ชำนาญเราเข้าใจว่าปัญญาต้องรู้มากต้องรู้คําตอบทุกเรื่องอันนั้นมันเป็นแค่องค์ความรู้นะปัญญาไม่ใช่อย่างนั้นปัญญาต้องเกิดจากการรู้แจ้งของจิตคือรู้เท่าทันรู้เท่าทันแล้วก็วางได้เห็นไหมเหมือนเรายิงเป้าบินเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีความชํานาญเราก็ยิงไม่ถูก ไม่ใช่ไปรู้ว่าเออรู้ปุ๊บเอออนี้สีอะไรนี่สีอะไรนั้นเป็นแค่องความรู้ไม่ใช่ปัญญาทุกวันนี้เรารู้เป็นขยะเลยรู้หมดเลยนะธรรมะของพุทธเจ้าแต่เราก็วางไม่ได้คนไม่มีปัญญาคนนี้มีแค่ความรู้ปัญญาก็คือว่ารู้แล้ววางได้รู้แล้วทำได้จริงๆเห็นไมอันนี้ ก็คือเราเจอนิวรณ์ตัวลังเลสงสัยลนะมันก็ขัดแย้งกันเองเห็นไหมขณะปฏิบัติปุ๊บก็นั่งนั่งพิจารณ า, าด้วยเฮ้ยทำไมร้องไห้เป็นบ้าหรือเปล่าถูกทางหรือเปล่า <g ül> กำลังคิดแล้วอันนี้เป็นเป็นกิเลสคือความเคยชินเราคนในยุคนี้เป็นแบบนั้นหมดนะเพราะเราเป็นคนฝ่เรียนรู้แต่ในทางจิตวิญญาณรู้มากทุกมาก เรารู้แล้วไงทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกอนัตตาพอเราเอาเอาถ้วยนี้มาวิจัยนะไปแยกภาคมันไปล้อมละลายมาหาที่มาส่วนผสมนะสุดท้ายก็ไปจบอยู่ที่อนัตตาเอาตัวไหนวิจัยมาบก็สุดท้ายก็อนัตตาไม่ต้องมีอะไรให้รูนะ้รู้เฉยๆว่าอะไรมันเกิดขึ้นแล้วต่อไปเราทํำนี้บ่อยๆนะ พอเราโดนกระทบเขาด่าเราหรืออะไรมากระทบปุ๊บนี่กระทบแต่ไม่กระเทือนเรารู้เท่าทันสิ่งมากระทบนะสมมุติว่าเขาด่าเราเสียงนี่คือรูปตัวได้ยินเสียงคือนามมันเกิดมันก็ดับแต่ถ้าเราเป็นคนเร็วมากได้ยินปุ๊บเอามาคิดเราไม่เห็นตอนมันดับรูปเกิดปุ๊บกระทบหูเวทนาเกิดเลยมันดึงมาคิดเวทนาเกิดนะ ไอ้สัญญาใหม่บันทึกไว้ว่ามันด่าเราไปกระทบไปสปาร์กกับไอ้เชื้อเก่าสัญญาเดิมเราบอกว่าเราไม่ชอบถูกด่ามันปิงขึ้นมาเลยนะสัญญาเกิดสังขารเกิดปุงนี่แหละเธอด่าฉันฉันเสียเปรียบไม่ได้นะหนึ่งวินาทีนี่ขันห้าปุงครบองละวิญญาณเกิดวิญญาณ น, นักสู้เกิดด่าไปคืน แล้วพิจารณาไม่ทันรู้เฉยๆรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกระทบอันนี้ข้างนอกกระทบข้างในโดยผ่านตาหูจมูกดินกายไปรู้อารมณ์ที่ใจแต่บางครั้งไม่มีกระทบนะบางครั้งไปนั่งในป่าคนเดียวนะพอนั่งเงียบๆนิ่งๆบังเอิญไปละลึกถึงไอ้สัญญาเดิมเรื่องที่ผ่านไปอารมณ์วีนขึ้นมาเลยนะ เนะห็นไม้มไม่มีข้างนอกกระทบแต่ข้างในมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยไ อ, ไ, อ ไ, อไอ้สัญญาเก่าเนี่ยมันก็สร้างอารมณ์ขึ้นมาถ้าเราไม่ทันปุ๊บเนี่ยมันก็มีผลต่บเราคิดปุ๊บก็กลัวเออนั่งอยู่ในป่าคนเดียวสงบสงบยุบอยู่คิดถึงว่าเฮ้ยมีผีหรือเปล่าวะเพราะสัญญาเดิมเรากลัวผีไงมันก็เกิดผลเลยกลัวเลยสั่สนหมดนะอันนี้แหละคือว่า วิปัสนาเนี่ยไม่ใช่ไปหาคำตอบด้วยเหตุผลแบบปรกกะนะคือรู้เฉยๆอารมณ์อะไรเกิดขึ้นรู้เฉยๆนะเมื่อเรารู้เท่าทันมันบ่อยๆอารมณ์ทั้งภายนอกภายในเนี่ยมันเกิดขึ้นมันกระทบปุ๊บไม่กระเทือนนั่นแหละความรู้สูงสุดความรู้สูงสุดปัญญาสูงสุดคือไม่รู้อะไรเลย เพราะมันไม่มีอะไรให้รู้ทุกอย่างว่างเปล่าโอ okay, นะก็อารมณ์อย่างนี้เป็นปกตินะเออเดี๋ยวเดียบางทีชั่วโมงนี้ร้องไห้เดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งอาจจะหัวเราะก็ได้ถ้าเราดูมันไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นอาการร้องไห้เนี่ยบางทีร้องไห้ไม่ใช่เศร้านะบางคนนั่งอยู่ปุ๊บโอ้เห็นพระพุทธเจ้าลอยมาแล้วร้องไห้แต่ไปดูหน้านี่ยิ้มปิติเห็นไหม โอ้ยไม่กล้าเวี่ยงพุทธเจ้าทิ้งโดนตีหัวละจำไว้นะพระพุทธองค์ไม่มาเล่นขายขนมโคกกับเราเน่แต่จิตเดิมบางทีเขารู้ว่าไอ้จิตปัจจุบันนี่ชอบอะไรศรัทธาอะไรแล้วก็เกียดอะไรกลัวอะไรเนี่ยเขาจะสร้างนิมิตต่างๆมาประเมินเราว่าทันไหมยิ่งเราเป็นคนนิสัยเนี่ยชอบวิจัยเรื่อยๆ อ, อ๊้ยเห็นพระพุทธเจ้าจาคาพูดพระครูได้แล้วว่า ผู้ใดเห็นธรรมพุทนั้นเห็นเราตถาคตแสดงว่าเราเห็นธรรมแล้วเราเห็นธรรมหลอกเนะนั่นแหะไม่ต้องพิจารณาไม่ต้องตัดสินถ้ามันไม่เนียนนะชีวิตเราเหมือนกันถ้าไม่เนียนเนี่ยเขาหลอกเราไม่ได้นะเขาต้องขับรถคันแพงๆมาแต่งชุดโกโก้นะเออวางฟอร์มเป็นผู้ดีนะแล้วก็เอาเอาตัวเลขมาหลอกเราเนี่ยนั่นแหละโดนหลอกว่าอย่างนั้นทีนี้ เราฝึกจิตเนี่ยอย่าประมาทยิ่งสูงก็ยิ่งหนาวนะไอ้ตัวมาเนียนเนียนเนี่ยมันจะมาถ้าเราจําคําว่าเหวี่ยงทิ้งได้คําเดียวนะไม่ใช่เวียงมันทิ้งไม่ใช่เวี่ยงพุทธเจ้าทิ้งไม่ใช่เวียงอะไรทิ้งไอ้ตัวเวียงทิ้งนี่คือเตือนเราว่าเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราจะเป็นหลงพิจารณามันทิ้งบอกผ่านผ่านผ่านผ่านา น, นะนั่นแหละคือสัก์แต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นนะอย่าเพิ่งท้อถอยนะก็ ถ้าเราไปฝึกวิชาใดไปฝึกวิชาใดที่เป็นแพทเทิร์นเป็นแพ็กเกจตายตัวมีวิธีตายตัวเราอาจจะทำถูกวิธีแล้วก็ผิดวิธีนะไอ้ที่เราทำอยู่ตรงนี้มันไม่มีวิธีเราทำเองไม่มีใครสั่งให้เราร้องไห้ไม่มีใครสั่งให้เร า, ม, ม, รเรามันก็ร้องไห้เองเห็นไหมมันเป็นเรื่องจิตเราล้ว น, วนส่วนมันเป็นจิตปัจจุบนันหรือจิตเดิมเนี่ไม่ต้องพิจารณาตัดสินรู้เฉย ไม่ต้องไปแยกมันโอเคนะก็การเรียนพ่อครูคะหากช่วงเวียงรู้ว่าเข้าไม่ค่อยลึกแต่ช่วงนานาจิตตังเคลื่อนไหวอัตโนมัติและไม่เหนื่อยแต่ทําไมช่วงเวียงจึงเข้าได้ไม่ลึกคะทั้งที่ในระหว่างวันรู้สึกได้ว่ามันมีการหมุนของจิตตลอดเวลา ลบกวนพ่อครูชี้แนะด้วยค่ะนะเราไปคุ้นเคยว่าต้องลึกๆนะลึกๆถึงจะดีนะมันไม่เกี่ยวกับลึกหรือตื้นตอนนี้เห็นไหมนั่งเฉยๆมันก็หมุนใช่ไหมอะไรหมุนสมัยก่อนทำไมไม่หมุนจริงๆแล้วพลังงานทุกอย่างพลังจั ก, กรวาลเนี่หมุนหมดเครื่องยนต์ต้องหมุนพัดลมต้องหมุนเฮลิคอปเตอร์มันหมุนช้าๆห่อไม่ได้นะมันต้องหมุนเร็วๆเห็นไหม แค่พัดลมไม่ใหญ่เลยนะเพราะมันหมุนเร็วๆนี่มันสาสามารถแบกก้อนเหล็กนี่เป็นคันยีโร ล, ลอยขึ้นมาได้เลยอ่านี่คือลมปานไงนะโลกหมุนรอบตัวเองแ ต, แต่สู้กําลังดึงดูดของดวงอาทิตย์ไม่ได้ก็หมุนรอบดวงอาทิตย์หมุนรอบจักรวาลใช่ไหมแล้วตัวเราเนี่ยกระแสกรรมที่เราทําขึ้นมาเนี่ยนะเราก็ถูกไอ้กระแสกำเนี่ยมันดึงให้เราไปตามกระแสมัน เนี่ยคือวัตตาสงสารมันก็วิ่งแบบนี้ทุกอย่างมันหมุนนะแต่ที่ผ่านมามันไม่หมุนเพราะจิตไปเกาะ อ, อยู่ที่ใจจิตเป็นธาตุของหัวใจธรรมดาเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นเ่าเวทนาเกิดขึ้นที่ใจแล้วใจมันคืออะไรนะใจคืออะไรเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาว่าหูคืออะไรก่อนหูคืออะไร นะมีคุณหมอคนหนึ่งสเปเชียลไหลทางด้านหูพ่อครกูก็เอาเอาภาษาหมอคุยคุณหมอคุณหมอมนุษย์เราเนี่ยใช้อวัยวะตรงไหนเป็นตัวได้ยินหมอบอกว่าหูพ่อครัวบอกไม่ใช่นะคุณหมองงไม่ใช่ได้ยังไงนะก็แก่เก่งมากเรื่องหูมีวันใดวันหนึ่งในชาตินี้นะคุณหมอเคยไหมที่ว่าเหนื่อยมากนอนหลับสนิทเลยคืนนั้น แกบอกมออีลูกคุณหมอตอนเด็กเล็ก ๆ, ๆตอนมันร้องไห้เนี่ยบางคืนทาไมคุณหมอไม่ได้ยินเห็นไหมภาษาทูอะไรมันเหมือนเก่าเลยทำไมไม่ได้ยินเห็นคำว่าเกิดดับเกิดดับเวลานั้นวิญญาณมันดับวิญญาณที่หูมันดับมันไม่รับกระแสะการรับรู้ไม่ได้ยินในคำว่าหูนี่ต้องเริ่มจากใบหูออติ่งหูประษาทูแล้วก็บวกด้วยวิญญาณหู ถ้าวิญญาณมันไม่รับกระแสรเราไม่ได้ยินเห็นไหมไม่ได้ทำลายหูหนวกเสนหน่อยหนึ่งทาไมไม่ได้ยินโอเคเข้าใจเรื่องหูแล้วนะเห็นไหมเอพอพอหูมันเหมือนเลดา้าไอ้ไอ้ไอส่วนที่เป็นกายภาพมันมีหน้าที่ดูดเข้ามาแต่ไอ้ตัวรับรู้นี่คือวิญญาณหูวิญญาณหูมันรับรู้ได้แค่ไหนก็เหมือนเด็กๆคนหนึ่งอายุสองขวบยังไม่ไปโรงเรียนนะวันหนึ่งมีรถเก๋งสีแดงคันหนึ่งวิ่งมา เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรสีอะไรไม่รู้แต่สัญชาตญาณมันก็หลบน่ยหูรู้อย่างนั้นได้ยินเสียงเว่าเรานอนกึ่งหลับกึ่งตื่นเราได้ยินเสียงถ้าได้ยินหูจะเฉยมันไมไ่รู้ว่าเสียงมันไม่รู้เสียงอะไรนะมันต้องส่งเข้าไปในเว็บไซต์เราเข้ามามโนวิญญาณกล่องบันทึกสัญญาอยู่ที่จิตตรงนี้มันเกาะ อ, อยู่ที่ใจถ้าเกิดว่าเราเป็นฝรั่งเราบอกเสียงเสียงมิสเตอร์เรด มิสเตอร์เรมันลองมันบันทึกสัญญาเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าเราเป็นคนไทยเรารู้ว่าเออเสียงในแดงมันลองนี่คือขบวนนการทำงานของร่างกายมนุษย์จิตมันไปเกาะ อ, อยู่ที่ใจทีนี้ไอ้วิญญาณที่หูส่งมาให้มโนวิญญาณมันก็กระทบใจนะพะครูก็ถามคุณหมอที่ที่เรื่องถามหูล่ะแกแกบอกว่าแกเคยอ่านหนังสือเขาบอกว่าจิตมันอยู่ที่สมอง ก็ครูบอกเวลาฟ้าผ่ามาคุณหมอตกสมองหรือตกใจฟ้าผ่ามาตกตกสมองอย่างนี้ตกใจจนบางทีหัวใจวายตายเลยนะช่วงนั้นมันตกใจเนี่ยกล้ามเนื้อหัวใจมันเก่งเลยนะเป็นลมเป็นแรงไปเลยสรุนะมันอยู่ที่ใจเวทนาเกิดขึ้นที่ใจเห็นไหมคำว่าจิตใจในภาษาไทยเราคิดเขเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดียวกันไม่ ใจก็ส่วนใจจิตก็ส่วนจิตนะจิตก็ส่วนจิตนะแล้วก็วิญญาณก็ส่วนวิญญาณจิตวิญญาณเอาอย่างละอันนี้คือจิตใจอันนี้ก็จิตวิญญาณอีกนะถ้าเป็นเรื่องเดียวกันก็เรียกอย่างเดียวแต่มันอยู่ด้วยกันแบบแนบแน่นเราแทบจะแยกไม่ออกเลยเนี่ยกายวิญญาณเห็นไหมกายวิญญาณเนี่ยตีปุ๊บเจ็บลมพัดมาก็รู้สึกเย็น เย็นร้อนอ่อนแข็งเนี่ยถ้ากายวิญญาณสัว่าเราตายใหม่ๆคนนี้ตายใหม่ๆตายใหม่ๆสมองยังไม่เน่านะทำไมคิดไม่เป็นทำไมทาไมหัวใจไม่เต้นเห็นไหมทําไมหัวใจไม่เต้นรีบผ่าตัดเอาหัวใจที่มันไม่เต้นเนี่ยออกไปให้คนที่หัวใจล้มเหลวแต่ยังไม่ตายเนี่ยไอหัวใจก้อนเก่าที่มันไม่เต้นทําไมมันเต้นขึ้นมาอีกเห็นไหม พอคูถามมาคุณหมอเคยเห็นหัวใจมาเห็นสี่ผ่าตัดบ่อยๆทําไมหัวใจมันเต้นรู้หรือเปล่ามันเต้นด้วยตัวมันเองไม่ได้นะใบไม้มันพัดอย่างเงี้ยมันต้องมีพลังลมทุกอย่างต้องมีพลังงานเออแล้วไอ้คนนี่ตายปุ๊บทำไมมันไม่เต้นเอาไอ้หัวใจก้อนเก่าเอาไปเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยทำไมมันเต้นขึ้นมาอีกเพราะวิทยาศาสตร์เนี่ยวิจัยแต่เรื่องกายภาพปฏิเสธเรื่อง เรื่องเรื่องรูปธปรปรมปฏิเสธนามมาทำเราถึงเข้าใจความจริงแค่ครึ่งเดียวนะทีนี้คำว่าได้ยินเสียงดูมารู้ที่ใจคำว่าใจตรงนี้เนี่ยเรารวมหมดถ้าครูบาอาจารย์รุ่นเก่าเนี่ยตั้งแต่ร้อยปีมาเนี่ยโดยเฉพาะคนอิสานเนี่ยท่านเรียกจิตว่าใจนะทั้งหมดอยู่ที่ใจจริงๆแล้วถ้าเราบารรลุธรรมอยู่ที่ใจเนี่ยมันไม่ใช่บรรลุธรรมมันเป็นแค่ก ฎ, เ ป, กฎเป็นแค่ชาญ นะจิตเป็นตัวหลุดพ้นนะทุกอย่างจบอยู่ที่จิตจิตหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมทำไมไม่บอกว่าใจหลุดพ้นดวงตาเห็นธรรมแต่ น, นี่เป็นภาษานะท่านเป็นภาษาพื้นบ้านภาษาอะไรที่เราคุ้นเคยเนี่ยนะบางทีมันก็สับสนนะวิญญาณเทรวาสเราชอบพูดถึงเรื่องแค่วิญญาณหก วิญญาณที่หูโขกโสตวิญญาณวิญญาณที่ตาจักสุวิญญาณวิญญาณที่จมูกเนี่ยคารณะวิญญาณวิญญาณที่ดินชิวหาวิญญาณวิญญาณที่กายกายวิญญาณแล้วก็อยู่ที่ใจนั้นมโหวิญญาณนะมหายานเขาพูดถึงวิญญาณแปดนะในจิตสํานึกเรานี่เรียกว่ามนัฑวิญญาณจิตใต้สํานึกเรียกว่าอริยวิญญาณไอตัวนี้คือกล่องบันทึกสัญญา กองบันทึกกรรมตัวเวียนไหว้าตายเกิดนะส่วนวิญญาณหมันเกิดดับมันมีหน้าที่รับผัสสะส่วนมนัสวิญญาณที่อยู่จิตสานึกเนี่ยมันทำให้จิตสานึกทำงานเฉยๆคล้ายๆว่าเป็นตัวผ่านระหว่างอะไรกระทบปุ๊บถ้ามันปรุงแต่งปุป๊บมันก็เอาบันทึกเข้าไปในโกดังเข้าไปอยู่ในอริยวิญญาณอันนี้คือการบรรยายของทางมหาญาณ แต่พ่อครูมีเลีนละทีนิกายนะเอาเป็นว่าพ่อครูเอาจากประสบการณ์ที่ตัวเองปฏิบัติเราเห็นการทํางานของร่างกายเรานะส่วนภาษาเหล่านี้นี่เราก็มาดูดูดูดดเออไม่ต้องแปลก็เ ข, เข้าใจนะวิญญาณหก็ไม่ได้ผิดนะวิญญาณแปดก็ไม่ได้ผิดนะไปเถียงกัน68แแล้วก็สุดท้ายไม่ยอมปฏิบัติก็ไม่ไม่ไปไหนเนาะก็อยู่กับการทะเลาะ ก, กันนะก็ มันหมุนแล้วเนี่ยสูตรแรกที่พร ะ, พ, ร ะ, พ, ระพุทธองค์หลังจากตัดสัรู้แล้วเนี่ยพระองค์แสดงคือธรรมจักรกับประวัสูตรพระอัญญากณทัญญามัรู้พ่ะสูตรนี้บางคนถามพระครูสูตรไหนสูตรไหนมีในสี่สิบกรรมฐานหรือเปล่าอะไรนี่ไปติดบ่วงตรงนั้นเนเป็นสูตรแรกที่พระองค์เอามาแสดงคือธรรมะจักรกับประวัสูตร ธรรมาจักคืออะไรนะเราเห็นทำด้วยจักสุภายในจักสุภายในก็คือจิตนะพอพระองค์มาเปิดปุ๊บเนี่ยอัญญากลณัญญาเนี่เกิดปิตินะเกิดสุขจิตดิ่งลงไปเป็นเอกขตาลมเนี่ยเกิดวิปัสนาขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นจิตหมุนอิสระจากความรู้ผิดบรรลุเบื้องต้นโสดาบัน จิตเห็นจิตคือมรคถ้าคนไหนมันหมุนหมุนอยูย่แสดงว่าเราเข็นกงล้อของธรรมาจากรถยนต์เครื่องติดแล้วธรรมาจากสุขเราเห็นธรรมด้วยธรรมมาจักสุก็คือตัวหมุนหมุนเนี่ยไม่แช่ไอ้แค่นั้นแค่สั ญ, ญลักษณ์นะนี่แหละก็เข้าไปในจิตตรงๆแล้วก็มันหมุนแล้วมันหมุนช้าหมุนเร็วไม่เป็นไร ไม่ใช่ว่าต้องไปเข้าลึกๆหรืออะไรนะออจิตเขารู้เองเวลานี้ควรจะทำอย่างไรนะเวลาเราเข้าไปลึกๆเนี่ยบางครั้งเราไประลึกรู้อดีตนะไปรู้ลเป็นการระลึกชาตินะไปเรียนรู้กับประสบการณ์เราถามว่าจําเป็นไหมตอบว่าไม่จําเป็นแต่บางครั้งเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ละลายความกังวลความสงสัยเราว่า เปี่ยนไหวตายเกิดมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงแต่ถ้าบางจงจิตไม่มีวิตกจริตแล้วงั้นก็ไม่ต้องเข้าไปใครรู้ว่าต้องเข้าไปก่อนจิตเดิมเรารู้นะเอาแค่มันหมุนๆ น, นี่มันเจริญสีตลอดว่ามันคือ ม, มันเจริญมรรคจิตนะไม่ใช่แค่เจริญสติปุกสมาธินะนี่มันเจริญมรรคเนี่ยมรรคจิตแหละแล้วก็ไปทํางานทั่วไปมันเหมือนมีตัวเตือน ถ้าเราพูดภาษาว่าเหมือนมันตัวเตือนสติจริ ง, รงๆแล้มันไม่ได้เตือนมันเป็นสติเลยล่ะต่อไปอะไรกระทบปุ๊บมันไม่กระเทือนเหมือนเราตื่นตอลอดเวลารู้ตื่นเบิกบานนะแต่ว่าไอ้นานาจิตตังมันก็เห็นชัดหน่อยว่าเออเราอาศัยค่วงเคลื่อนไหวเข้าไปปุ๊บมันก็ออกมาข้างนอกกายภาพเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้า อ, อ, า อ, อนะระหว่างเต้นไปก็เหนื่อยเห็นไหมเออบางทีเศร้าบางทีดีใจเสียใจนะนะ ถ้าเศร้าดีใจเสียใจไม่ใช่เป็นเพราะเราเต้นละมันเป็นเรื่องของเก่าแต่ตอนนี้ถ้ามันเหนื่อยปุ๊บส่วนมากเป็นของปัจจุบันที่เราเต้นมากมันก็เหนื่อยเห็นไหมเราเห็นทั้งการเคลื่อนไหวของร่างกายเห็นทั้งเวทนานะจิตปัจจุบันก็เห็นจิตในอดีตเนี่ยมันมันมันมั น, ม, นมันรู้สึกยังไงแล้วก็เห็นธรรมในธรรมนี่คือมหาสติปัฏฐานก็ทาไปเรื่อยๆนะ เอาถ้าเราไปฝึกที่เราที่เราฝึกกันนะ่ละล่ะครูบาอาจารย์ภาคอีสานเราหลวงปู่มัน่นเราเป็นเป็นคนเป็นพวกครูไม่อยากเรียกว่าเจ้าลทัทีนะเออท่านเป็นคนใช้อุบายเรื่องพุทธโธนะลมหายใจเขาพูดแค่ดูลมหายใจเฉยๆอยู่ในป่านะอย่าไปสร้างกรรมใหม่อย่า ก, กระทบเนี่ยอันนี้ก็สะสมแต้มไปด้วยแค่แค่ดูลมหายใจเฉยๆบางคนมาถามพวกครูแค่เวียงเฉยๆมันรู้รมเหรอ เบียงนี่มันเร็วกว่าดูลมหายใจนะสตว่าเราดูลมหายใจเ อ, เอาเข้าออกเข้าออกเข้าออกหนึ่งนาทีดูได้ห0สครั้งเจริญ60สสติไอของเราหนึ่งนาทีมันรู้กี่ร้อยกี่พันครั้งพูดถึงอออพอเราคุ้นเคยว่าเอ้ยแบบนี้บรรลุทำได้และแบบนี้บรรลุได้หรือเปล่านะมันเป็นแค่เทคนิคอะไรเฉยๆเนี่ยนะอันนี้คือเร่งสปีดอันนี้คือเร่งสติหมุนกงล้อของธรรมาจับ เห็นไหมโอ้เรารถคันนี้จอดไว้สิบปีสตาร์ทไม่ติดแล้วเขน็นเขน็นเขน็นเขน็นติดปึ้งเห็นไมเครื่องหมุนละขึ้นไปปุ๊บเปิดแอร์เปิดวิทยุได้ใส่เกียร์ปุ๊บดับเครื่องพลังไม่พอใช่ไหมต้องเร่งเครื่องเกียร์คัสใส่เกียร์ไปนี่เร่งสติหมุนกงล้อทำมาจากแต่ถ้าเราจเจริญอาณาปนสตินะ เออลมหายใจเข้าลมหายใจจะตั้งชื่อพุทโธธรรมโมสังโฆมันเป็นชื่อสมมุติเรียกนะก็ก็ทำไปหลังจากเราอยู่นิ่งมันนานมันเกิดความสงบนิ่งมันมีพลังปุ๊บมันจะหมุนแต่ทีนี้ถ้าเราไปกําหนดมันเรื่อยๆเนี่ยมันก็นิ่งอยู่นั้นตลอดเวลามันมันหมุนไม่ได้มันเคลื่อนไหวไม่ได้เพราะเราไปกดมันไว้เราได้แค่ความสงบชั่วครู่นะซึ่งครูบาอาจารย์หลวงพ่อใหญ่เราหลวงปู่บ้านเนี่ย ไปดูหนังสือเล่มกเก่าๆท่านท่านติดพุดโทโธอยู่ตรงนี้นี่นานมากนะบังเอิญอันนี้ก็เป็นสะสมบา ร, รมีบา ร, รมีเก่าบารมีใหม่บอกปุ๊บมันก็เกิดปัญญาวางเลยมันก็หมุนไปทั่วล่างกลายเป็นลมหายใจคืออากาศเรียกว่าอานาเราต้องพัฒนาอาณากลายเป็นปานะขึ้นมาเป็นปรานคนจีนก็ฝึกชี้งงฝึกไทยเก๊กเพื่อให้มันเกิดลมปาน นั่นแหะคือเรากําลังเขตนรถให้มันติดเมื่อมันเกิดลมปานแล้วเนี่ยถ้าเราพอใจแค่นั้นเราก็ได้เจริญอนุสติอนุสติสติเล็กๆใช้ลมปานนั้นเป็นฐานที่ตั้งแห่งการเจริญสติเกาะมันไว้นะก็ได้อนุสติแต่การเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมไม่ได้อยู่ที่แค่สติเป้าหมายสูงสุดคือปัญญา ปัญญามันอยู่ในเว็บไซต์เราต้องเข้าไปในกล่องปัญญาต้องเข้าไปในจิตในจิตเราต้องเร่งสติหมุนกงรงล้อของธรรมจักรให้มันเร็วขึ้นเห็นไหมทำไมพ่อครูเลือกใช้เสียงนะหลวงพ่อคงใช้ลมหายใจนะนะแต่ต้องหายใจให้มันชนถึงใจเนี่ยมันจะดึงระหว่างใจกับจมูกเนี่ยกลิ่นนะอาณาปัญสติเนี่ยเอากลิ่น นะพวกเราเอาเสียงนะอยากจะลองนะคืนนี้ไปนอนลองนะหายาอมอมหนึ่งไปอมหนึ่งนะแล้วก็นั่งมาลิ้มรสที่ลิ้นมารู้ที่ใจเดี๋ยวก็เกิดหมุนนี่คือการทำงานของมันทุกอย่างมารู้ที่ใจหมดมันจะดึงระหว่างใจกับกับลิ้นแต่ว่ามันเล่งสติไม่ได้เห็นอาณาปณะสติเนี่ยไปเรียนดูนะบางทีเขสอนทีละขัน้นเออสั้นก็รู้ ยาวก็รู้สั้นสามครั้งยาวสองครั้งอะไรก็ได้มันเป็นอุบายให้จิตเกาะติดเกาะติดเกาะติดเกาะจิดบังเอิญมันยาวก็รู้นะี่ยวันไหนมันเผลอนะใช้คําว่ามันฟลุกแล้วกันมันไปชนหัวใจเมื่อไหร่มันจะเกิดแรงหมุนแต่นานๆครั้งมีฟลุกครั้งหนึ่งพราะเขาไม่รู้ว่ามันเกิดแรงหมุนได้ยังไงนั่นแหละครูบาอาจารย์เคยฝึกอย่างนั้นก็ทําไปทําไปทําไปทําไปทําไปอันนี้เราสุดตรงข้างนอกนะแล้วกําหนดตรงไหนเราสุดตรงตรงนั้น อย่างเดียวมันไม่ใช่ทางสายกลางเพราะกูแยกแยะเนี่ยนะมีคนใหม่ด้วยนะเอาเป็นว่าบัมระชิตไม่เสียส่วนสุดตรงสองส่วนท่านในแง่จเจริญส ม, มถะวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องข้างนอกกับข้างในข้างนอกมีตาหูจมูกลิ้นกายข้างในมีใจตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอยนายจันะภายในอยนายจนะภายนอกมีรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส ทำอารมณ์นะทีนี้ส่วนที่มันอยู่กับเราเนี่ยไอ้หอย่างเนี่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันแยกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งหอย่างนี้อยู่ข้างนอกเป็นตัวรับผัสสะใจนี่อยู่ข้างในเป็นตัวรับอารมณ์เอาเป็นว่าหาอย่างนี้มันผัสสะมันลงมันส่งไปที่ใจหมดแหละมันส่งไปรับรู้ที่ใจหมดใจเป็นศูนย์กลางเนะี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ย สะดือเป็นศูนย์กลางเพราะเราเกิดมาเห็นไหมลกแม่มาอะไรนี่เราไปคิดถึงเรื่องแบบนั้นนะพรากคูว่าสะดือเป็นศูนย์กลางออถ้าเกิดไม่หายใจนี่เป็นยังไงก็บอกตายหัวใจเป็นศูนย์กลางเพียงแต่ว่าเรากหนดยสะดือหน่อยเนี่โอเคเออมันห่างจากหัวใจห่างจากความคิดหน่อยบางทีมันสงบง่ายหน่อยหนึ่งแต่ถ้าไปติดตรงนั้นน่ยอีกกี่สิบปีก็สงบอยู่ตรงนั้นแหละ ถ้าจิตรเรามีกำลังแล้วเนี่ยเอาไปอยู่ที่ไหนก็สงบหมดนะทุกอย่างมีใจเป็นศูนย์กลางนะได้ยินเสียงปุ๊บก็ลงใจมองเห็นปุ๊บก็ลงใจอร่อยปุ๊บก็ลงใจนะใจเป็นศูนย์กลางนะนัะ่นแหละเราไม่สุดตรงข้างนอกกับข้างในในหูเป็นเพื่อนเราในใจนี่ก็เป็นเพื่อนเรา เราคือจิตแต่เราถูกในใจมันดึงไว้ตลอดชีวิตสุขใจสุขใจจิตใจให้ไหมจิตใจจิตไปอยู่ที่ใจตลอดจิตไม่อิสระทำตามใจตลอดเห็นะหมพอเขาด่าเรามันบอกเจ็บใจเจ็บใจไอ้จิตมึงสั่งปากด่ามันไปคืนเลยงั้นอนไม่หลับนะจิตมันกลัวมันเจ็บใจไงนะบ้านหลังนี้เปียบเสมือนโรงแรมจิตเป็นเจ้าของโรงแรม ใจเป็นผู้จัดการมันเก่งมากมันคุมอำนาจหมดเลยนะตอนนี้เจ้าของนี่ฟังผู้จัดการหมดสั่งทำอะไรไล่คนนั้นออกไล่คนนี้ออกกทำตามจิตไม่อิสระตอนนี้จิตไม่เป็นนายแล้วจิตเป็นบ่าวทีนี้จิตหลุดพ้นดวงตายเห็นทำหลุดไปไหนออกจากร่างไปเที่ยวสวรรค์นรกหรอไม่ใช่หลุดพ้นจากความเป็นทาตของใจ ใจเป็นกล่องบันทึกสัญญาที่ปรุงแต่งพวกเราลองง่ายๆไม่ต้องลองเอาแค่มันหมุนนะถ้ามันหมุนมีพลังมากหน่อยเนี่ยนะนะพาะครูมาใหม่ๆ ม, มาจากอเมริกาใหม่ๆเนี่ยนะพอนั่งเวียงเวียงเวียงเวียงนะโดยเฉพาะนั่งกลางคืนเงียบๆเบนี่นะพวกูตีระฆังใส่ไม้นี่ยปังสะดุ้งปางเลยเหนไม ที่นั่งกดมันไว้ล่ะโอยสงบสงบเนี่ยพางเลยแต่คนที่หมุนหมุนหมุนเนี่ยตกจิตไม่ตกใจนั่นละจิตไม่ได้อยู่ที่ใจแล้วตอนนี้นมันมาหมุนมันสร้างลมปานเราจะแยกจิตแยกใจได้แต่ไม่ใช่ไปตั้งใจแยกไปเพ่งมันอะอย่างนี้ไม่ใช่พอเราสร้างแรงเบี่ยงปุ๊บเนี่ยจิตมันปล่อยวางหัวใจเองมันก็สร้างลมปานขึ้นมา แล้วหัวใจพอมันอิสระจากจิตมันก็เบาก็ปั๊มเลือดลมหล่อเลี้ยงร่างกายเร็วขึ้นเห็นไหมเลือดลมก็วิ่งเลือดลมถ้าคนเราเนี่ยเลือดกัะลมมันดีแล้วนี่สุขภาพดีภูมิคุ้มกันเกิดอันนี้คือผลพลอยได้นะนี่คือลมปราณ น, นะแต่เราไม่ได้จบอยู่แค่ลมปรานไม่ได้จบอยู่แค่อนุสติเราต้องพัฒนาไปสู่มหาสตินะเร่งสติหมุนกลงล้อของธรรมจักร เมื่อแรงเบี่ยงมันมากกว่าแรงดึงดึง ด, ง, ดงของใจกับความคิดแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปสู่จิตในจิตนะเปิดประตูบ้านเข้าไปแค่ครั้งเดียวแล้วต่อไปเราเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้บ้างปุ๊บเราเข้าไปบางคนถามป่ากูเข้าไปทำไมอา้าก็เข้าไปขัดเก่าจิตให้ผ่องใสไงมัวไปนั่งเพ่งเพ่งเพ่งเพ่ ง, พงนะเออไปเพ่งบ้านหลังนี้ก็เห็นเงาของมันไปส่องหน้าต่างอยู่มันก็ยังเปื้อนเหมือนเก่าเนี่ยนะ เราต้องเข้าไปในจิตไปขัดเกลาจิตให้ผ่องใสแล้วเราจะเกิดปัญญาในนั้นคือประสบการณ์จริงๆของเรานี่แต่ต้องใช้เครื่องมือจากสติปัฏฐานสนะเริ่มจากอนุสติสมถากรรมฐานพัฒนาไปสู่วิปัสสนากรรมฐานเป็นมหาสตินะพอมหาสติปุ๊บนี่ยมันจะมีกำลังนี่เข้าไป แล้วลึกรู้อดีตแล้วก็ไปเอาบา ร, รมีเก่าเนี่ยบางคนไปเอาบา ร, รมีเก่ามาต่อยอดแต่ไม่ต้องไปเห็นอดีตก็ไม่เป็นไรนะเอาเป็นว่าไม่ต้องว่าอยากเข้าดึกเข้าตื่นจิตเขาจะทาอะไรปล่อยเขาทำเรารู้เฉยๆนะมันหมุนแล้วแสดงว่ามันทำงานแล้วปฏิบัติแล้วมีลักษณะหมุนรอบตัวเองไปเรื่อยๆเกิดความสงสัยว่าแล้วลต่อ แล้วไงต่อบางครั้งก็เหมือนคุมการหมุนได้บางครั้งก็เซ่รู้สึกงงๆค่ะนะมีคำว่าสงสัยแล้วก็มีคำว่าไงต่อแล้วก็มีคำว่างงๆเห็นไ้มงงๆก็เป็นเรื่องไงต่อก็เป็นเรื่องสงสัยก็เป็นเรื่องไนะงต่อ ก็ทำต่อไปเราหลงป่าเดินเดินจนเหนื่อยจนเบื่อเบื่อไม่จะเดินไปทำไงไงต่อเออก็รอให้เสือมากินสิรอไฟไม้ป่าแล้วก็นอนนอนอนรอรอรอมันรอมันมากินนะไงต่อก็เดินต่อนะเดินต่อนะก็ไม่ต้องสงสัย ศรัทธาในคำสอนพุทธเจ้านะแล้วถ้าเราเห็นจิตจิตมันหมุนแล้วนะเห็นไหมมันหมุนแล้วเนี่ยนะก็คืนชีวิตเราให้กับจิตจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าเริ่มแรกเราใช้อุบายว่าให้จิตเนี่ยมันดูดพ้นจากใจแล้วก็บอกว่าให้เชื่อจิตอย่าเชื่อใจนะน ะ, นะใจมันหลอกตลอดเห็นไหมมันหลอกว่าให้ใช่หรือเปล่าว่าอะไรว่าอะไรว่านะอย่าไปเชื่อใจมันหลอกเราเทให้กับจิตเลย เมื่อจิตมันอิสระแล้วต่อไปนี่จิตก็ไม่ต้องเชื่อนะเขาจะหลอกเราแต่เขาไม่ได้หลอกลวงเขาจะคือสอบอารมณ์เราประเมินว่าเธอเบี่ยงทิ้งทันไหมส่วนมากเราไม่ทันหรอกเพราะว่าเรามีกิเลสตัวไงต่ออะไรวะใช่หรือเปล่าเราจะแพ้ตัวนั้นนะเอาเป็นว่าเห็นไหมจิตมันก็สอบเราว่าเราเนี่ยทันไหมตั้งมั่นไหม ยอมเวี่ยงทิ้งไหมเวี่ยงถ้าความทุกข์นี่เกลียดมากเวี่ยงถ้าไปเจอความสุขแล้วเรื่องอะไรจะเวี่ยงหามาตั้ ง, งนานนี่แหละคือกิเลสเราละ่ะสติกับจิตต่างกันอย่างไรคะพอเราพูดเรื่องสติสติเราก็คิดว่าสติมันเป็นเอกเทศมีสตินะมีสตินะใครมีสติ สติมันเกิดกลางอากาศ น, นะสติก็คืออินทรีย์พะละของจิตนะเป็นกําลังของจิตอย่างหนึ่งเห็นไหมก็ทั้งหมดเนี่ยมันก็อยู่ในร่างเราเนี่ยแหละเห็นไหมร่างเราประกอบด้วยดินน้ําลมไฟเป็นกายภาพกับวิญญาณธาตุนะกับจิตสิ่งที่เราฝึกได้ก็คือกายกับจิต ถ้าเราฝึกกายให้แข็งแรงได้เราก็ไม่ไม่เป็นคนขี้เหนื่อยเราก็ไม่เกิดเวทนาเรื่องเหนื่อยเห็นหถ้าเราฝึกจิตได้จิตมันมีปัญญามันมีสติปัญญามันมีสมาธิแล้วเนี่ยมันก็รู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆนะมันเกิดปัญญานี่แหละคือตอบง่ายๆว่าสติก็คือกำลังของจิต มันไม่ใช่แยกส่วนนะอันนี้คือสติอันนี้คือจิตนะมันก็คือกําลังของจิตมันเป็นอินทรีย์ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาใครเป็นคนมีศรัทธาวิริยสติ ส, ส, สมาธิปัญญาก็จิตนั่นแหละมันคือกําลังของจิตเนาะเราฝึกบ่อยๆ่ปุ๊บเราใช้อินทรีย์ห้าบ่อยบอยมันก็เกิดพละห้ากำลังมันก็มากขึ้นกําลังมากขึ้นมันก็เดินออกป่าได้เร็วขึ้นนะความขันติอดทนวิริยะมันก็มากขึ้นนะ ก็ตอบว่ามันคืออินทรีย์พะละของจิตมักคจิตฝึกที่บ้านได้ไหมฝึกอย่างไรในชีวิตประจำวันคะก็เราคงไม่มีเวลาเช้าสายบ่ายเย็นแบบนี้นะมัคแบ่งเป็นสองส่วนมัคภายนอกกับมัคภายในมัคภายในซึ่งพ่อครูเรียกว่ามักคจิตอย่าไปซีเรียส น, นะว่าอะไรเนี่ย จ, จิตพระครูบอกมันไม่รู้จะเรียกว่าเออเรียกว่ามรรคจิตแต่ไม่ใช่บรรทัดฐานว่าจะเป็นวิชาการสอนเขาเพื่อพูดให้เข้าใจง่ายว่าที่เราเริ่มจากเราฝึกสมถะกรรมาฐานเนี่ยต้องเริ่มจากเอาไซน์อินคือว่ามีการกําหนดเพ่งดูมีการกระทําเกิดขึ้นนะมะแม้กระทั่งตามลมหายใจกระทั่งลมหายใจนี่ไม่ใช่กายนะมันเป็นของนอกกายด้วยแต่มันมีความสัมพันธ์กับชีวิตเราอย่างใกล้ชิด ใก้ชิดที่สุดแล้วก็เกาะลมหายใจเกาะลมหายใจค่อยๆ เ, เข้าไปมันเป็นปานชีวิตอย่างหนึ่งนะมันเป็นปานชีวิตอย่างหนึ่งมันไม่ใช่กายด้วยนะเห็นหมทีนี้บางบางคนเขาก็เอาอริยบทของกายนี่มาเป็นมาเป็นกรรมฐานมาฐานที่ตั้งแห่งการกาหนดเออขวาซ้ายเออยุบพองนี้เป็นอริยบทบัพอริยบทของกายนะยังอยู่ในฐานกายอยู่ ทีนี้เราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแม้กระทั่งเรานั่งตามลมหายใจเฉยๆมีบางสายเนี่ยเขาก็ใช้อุบายนั่งวันหนึ่ง10ชั่วโมงสิบกว่าชั่วโมงเลยนั่งนัๆ ง, ง, งทับมันเนี่ยมันก็เกิดเวทนาขึ้นมาเห็นไหมเขาก็วางกายมาพิจารณาเวทนาต่ออันนี้เป็นการปฏิบัติทีละระดับนะบางคนเวทนาเวลาก็ทนไม่ไหว แทนที่จะขันติกลายเป็นขันแตกนะขันแตกหลุดก่อนนะบางคนก็ผ่านเวทนาเวทนามันมีวิถีหลายวิธีทำให้เกิดเวทนาอย่างอสุภะกรรมฐานไปนั่งดูซากศพไปนั่งดูท่าโ น, น้นท่านี้พระพุทธองค์ก็ยกตัวอย่างในอสุภะสิบในอนุสติในในี่สกรรมฐานมีอสุภะสิบ มีสิบท่าจริงๆแล้วมีหลายร้อยหลายพันท่าแต่พระองค์ยกตัวอย่างนะไปเพ่งดูมันไม่เกิดสังเวชแต่ที่นี่มีบางสายเนี่ยเขาจเจริญกายยะคตาสติโดยที่มาดูกายในกายนะเริ่มจากกายนอกกายอยู่หัวแม่โป้งไล่ขึ้นไปคือจินต น, นาการเอาจินตนาการเอาโอ้ข้างในฉีกหนังออกมา เห็นะแต่เลือดหนองนะาเข้าไปอีกเอ็นใหญ่เก้าร้อยเอ็นน้อยเก้าพันะมันจะเกิดสังเวชบางคนยืนอ้วกออกมาเลยนะนะื่อมันสังเวชบ่อยๆปุ๊บเนี่ยมันก็จางคลายความยึดมั่นถือมั่นกับกายภาพเราเรื่องติดสวยติดงามเห็นไหมแต่หลายคนนะอารมณ์นั้นเป็นอยู่ไม่เกินอาทิตย์หรอกเดี๋ยวก็สวยๆงามๆเหมือนเก่า เพราะว่ามันไม่ใช่ของจริงเราจินตนาการเอาเพื่อให้มันเกิดเวทนาเพื่อให้เราจางคลายความหลงในกายภาพของเราอันนั้นคือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งไม่ได้ผิดนะเป็นการฝึกทีละขั้นโอเคเมื่อถึงเวทนาแล้วเนี่ยมันก็วางกายปุ๊บมันก็เริ่ม ม, มองจิตแล้วนะบางสายก็เริ่มมาดูจิตดูจิตดูจิตไปไหนก็ดูจิตดูจิตก็ไม่ได้ผิดอีกเป็นอุบายวิธีให้เรา มีหน้าที่ทําเพื่ออย่าไปคิดอย่าไปคิดทุกวันนี้ที่เราทุกเรื่องจากเราสร้างมโนกรรมตลอดสมมติอย่างนี้นะมันสร้างอารมณ์สับสนวุ่นวายกังวลหมองใ ย, ยลังเลสงสัยก็คิดนั่นแหละพอเราไปเกาะไปเพ่งนูน่นเพลงนี่มันเหมือนมีหน้าที่มันก็ลืมความคิดชั่วคราวมันก็เกิดความสงบมันก็ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งนะทีนี้แป๊กแล้วละ่ะนะพะกูตามไปดูอะตอนนี้เนี่ยสูงสุดก็ไปนั่งดูจิตไง กีปีกี่ปีก็ดู น, น, นะก็หลายปีก่อนก็มีพระคุณเจ้าพระผู้ใหญ่มาจากไต้หวันนะมหายานกัแบบภิกษุณีสมรูปอวุโสเขาฝึกสายแบบซาเซนพวกนี้เอาเป็นเอาตายเลยนะเขาบอกว่าเมืองจีนตอนนี้ตั้งแต่เกิดสุคสงขามแล้วเนี่ยเขาก็อกพยพไปอยู่ญี่ปุ่นต้องไปเรียนซาเซนที่ญี่ปุ่นเขาบอกมันหมุนแลวนะเขาได้ยินข่าวว่ากูนี่เขาบินมาเลย เขาบอกเขามีพลังมันหมุนอยู่เห็นไหมเวลาถ้าเร า, เาก็ไปจิตบางคนเนี่ยเห็นไหมปั้นบางคนปั้นลมนะบางคนเขาเอาลูกแก้วเนี่มาหมุนคือว่ารวมพลังอยู่ตรงนี้นะเอออันนั้นอ่ะเขาบอกมันหมุนแล้วเขาถามพวกครูว่าแล้วจะเข้าไปข้างในยังไงเพราะเาฝึกให้มันหมุนมันมีพลังหมุนไงเป็นกี่สิบปีไม่รู้แล้ ว, ลวเขาบอกว่าจะเข้าไปทั้งไงพวกครูก็ ก็อาจารย์ก็เปิดประตูเข้าไปเลยไงที่ผ่านมาอาจารย์ไม่เข้าอาจารย์โมจะไปปั้นมันไงแล้วก็หมดขวาก็อยู่ขวากดซ้ายก็อยู่ซ้ายนี่กดแห่งกรรมไงใช่ไมก็ไม่เข้าไปไงก็เปิดประตูเข้าไปเลยท่านแค่นั้นเองนะชั่วโมงเดียวท่านก็เข้าไปแล้วปุ๊บทีนี่เนื่องจากฝึกมานานฐานชาติปัจจุบันก็มีฐานอยู่แล้วนอกกรรมฐาน พอเข้าไปปุ๊บก็บวกฐานเดิมปัญญาเก่านี่แสดงทําเต็มไปหมดเลยกรบบขอบคุณพระครูนะหามาตลอดชีวิตมันเป็นเส้นผมบางปูเขานิดเดียวเราไปคุ้นเคยกับการฝึกที่มีการกำหนดเออทีละขั้นทีละท่ามันมันก็มีศักยภาพจำกัดนะแต่ถ้าเราปล่อยให้จิตอิสระแล้วเนี่ยจิตเดิมเราเนี่ยเขาฝึกมาหมดแล้วเขาจะรู้ว่าต่อยอดยังไง นะเขาทำยังไงให้เ็าทำเรารู้เฉยๆเขาร้องให้เราก็รู้เฉยๆเขาหัวเราะก็รู้เฉยๆอย่าไปคิดเพิ่มเติมมันจะลังเลสงสัยโอเคไหมมรรคกิจฝึกที่บ้านได้นะมรรคภายนอกกับมรรคภายในนะที่ระกูมักรรคภายในเราเรียกมรรคจิตเป็นเรื่องของจิตล้วนๆแต่ต้องอาศัยฐานกายเวทนาจิตธรรมนั่นแหละแต่มรรคภายนอกเห็นเราทำความดีเราทำบุญทานศีลภาวนา นะเอาศีลข้างนอกเนี่ยมาบังคับเราเตือนสติเราอย่าไปทำชั่วใช่ทำดีอันนี้เรียกว่าเอาไซอินพฤติกรรมข้างนอกเนี่ยเราเคยเที่ยวเตนะฟุ้งเฟอ้อฟุ่งเฟอืฟเฟอยแล้วก็เปลี่ยนวิถีใหม่มาอยู่กันแบบสมร t ะเรียบง่ายแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเป็นการให้ทานอันนี้คือมักภายนอกนะก็แปดข้อที่ผู้เจ้าบอกนั่นแหละ นะก็ฝึกอย่างไรในะชีวิตประจําวันอยู่ปัจจุบันอยู่ปัจจุบั น, ปจจบนแปลงฟันไปอยู่การแปลงฟันกินข้าวก็อยู่การกินข้าวขับรถก็อยู่การขับรถทํางานอยู่กับการทํางานนะเพจตะวันแนวนี้ตื่นเช้ามาปุ๊บในเข้าห้องน้ํายังไม่แปลงฟันงานแรกยืนเช็คกิ้งสักขอห้านาทีได้ไหมตอนแค่5้านาทีหรอกเนาะบางกฎบอกไม่มีเวลาไม่มีเวลา ถ้าวันไหนมีเวลาแปลงฝันต้องมีเวลาเช็ค ก, กิ้งห้านาทีนะวันไหนมีเวลากินข้าวมีเวลาอาบน้ำต้องอาบจิตนะตอนกลางคืนอาบน้ำเสร็จปุ๊บถ้ายังไม่อาบจิตห้ามนอนข้างในมันก็เปื้อนเหมือนกันเนาะใครสะดวกแบบไหนนะก็คือต้องดูเหตุปัจจัยที่บ้านมันเหมาะไหมถ้าว่าเออมันไม่เหมาะก็นั่งคนเดียวอยู่ในห้องนอนเลยนั่งหมุน นะไม่ต้องเสียงก็ได้แม้กระทั่งเราเปิดเสียงคนอื่นเขาไม่รู้นะเราฟังโทรทัศน์วิทยุฟังอะไรเราก็เปิดเสียงถ้าคนไม่ชำนาญเนี่เสียงนี่ช่วยได้ทำให้จิตมันมีที่ยึดไม่งั้นเราจะเผลอไปคิดเรื่อยๆนะนะที่พระครูเลือกเสียงเพราะว่าเสียงนี่เร่งสติได้แล้วก็ผู้ปฏิบัติไม่ต้องสร้างอะไรขึ้นมาทั้งนั้นแหละถ้าเราใช้ลมหายใจมันหมุนปุ๊บนะเออ แล้วจะซื้ซื้อซือซอซอซอนี้ได้กี่นาทีล่ะมันเหนื่อยก่อนนะแต่ถ้าเสียงเนี่ยแล้เลือกชาติไปกี่ชาติก็ช่างมันก็ไล่เราไปเรื่อยๆพวกครูลองใช้มาหมดแล้วละ่ะนะสุดท้ายพวกครูเลือกเสียงง่ายที่สุดนะเราไม่ได้ฟังเพลงนะฟังเพลงผิดศีล น, นะอย่าไปเคิมกับเนื้อหาสาระกําเนิดโอ๊ยป่าปื้มปิติอันนั้นต์กิเลสเนาะเราฟังเสียงเพลงไม่ใช่ฟังเพลง นะแล้วก็พยายามเลือกเพลงที่เราไม่รู้เนื้อหาของมันยิ่งไม่มีเนื้อหาเลยดีที่สุดมีแต่จังหวะดนตรีโอเคนะนั่นแหละชีวิตประจําวันเนี่ยธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทําหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความหลุดพน้นแต่ต้องทําหน้าที่อย่างตั้งมั่นทุกๆนาทีถ้าใครทําได้นะพอกกูว่าแค่สามวันอย่าให้รั่วเลยนะระเบิดได้ไง่ายๆ นะเหมือนเราเป่าลูกโป่งเราป่าเป่าเปาเ ป, าเปาอย่าเพอนะอะไรนะแฟบแล้วมาเป่าใหม่นะบางทีตัวเองเอาเข็มแทงตัวเองป้องนะเพราะอารมณ์เราสู้ไม่ได้ถ้าเราสะสมอย่างนี้เรื่อยๆนะพวกคุว่าไม่เกินสามวันหลอดระเบิดได้นะแต่ไม่ใช่สูตรสำเร็จนะมันอยู่ที่อันนี้คือบุญใหม่ที่เราทำอยู่ที่บุญเก่าด้วยกระแสะกรรมเก่าด้วยมันไม่ใช่สูตรสาเร็จ ที่พ่อครูบอกว่าบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันช่วยไม่ได้แล้วก็บอกว่ายิ่งให้ยิ่งได้หมายความว่ายังไงบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันช่วยไม่ได้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม26ปีพระครูไม่เคยคิดที่จะช่วยใครเลยไม่บังอาจ น, นะแต่เราให้ทุกวัน ผู้เจ้าไม่ได้สอนให้เราช่วยใครเลยนะผู้เจ้าบอกทานศีลภาวนาการให้ทานเป็นหน้าที่เราถ้าเราบอกจะช่วยเขาปุ๊บเรามีอาหมิตรแล้วเราหวังมันจะดีขึ้นมันไม่บริสุทธิ์เราก็รุ้นเราก็ทุกนะพอทําแล้วมันดีขึ้นก็ดีใจพอมันไม่ดีขึ้นก็เลยเสียใจยงไงเห็นไหมบางทีเราให้ให้พร้อมกันเลยหลายคนเออคนนี้เราให้โอกาสเขาเห็นไหมแค่กได้โอกาสทีหนึ่งอุย้ยเขาไปโลดเลย แต่คนนี้ให้โอกาสสิบครั้งมันก็ไม่ไปไห น, นก็เป็นกรรมของเขาไงเรามีหน้าที่ให้อย่างเดียวอย่าไปคาดหวังถ้าเราคาดหวังเราจะผิดหวังนีน่คือสัตว์โลกย่อม ไ, ไ, ไปตามกรรมช่วยไม่ได้ออแล้วยิ่งให้ยิ่งได้คืออะไรนะผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักสมมติว่ามีแอปเปิลลูกหนึ่งมีลูกหนึ่ง แต่มีสองคนอ่ะเออถ้าเราไม่อยากว่าแบ่งเรื่องอะไรหมายถึงว่ามันมันต้องกินคนเดียวเนี่ยเราเป็นผู้ให้เขาเขาก็รักเราแต่ถ้าเราแย่งของเขาเนี่ยมันไม่พูดมันก็เกลียดเรามันเป็นเรื่องธรรมชาติการให้นี่เป็นสะพานเชื่อมดีกว่าไปพูดหวานพูดอะไรอะไรพูดนี่ก็เป็นการให้อย่างหนึ่งนะพูดดีเป็นสีแก่ตัวเหมือนพูดให้เกียรติเขาพูดให้กำลังใจเขาแต่ถ้าเราไปด่ า, าเขาเขาก็เกลียดเราเนี่ยการให้โดยการพูดโดยการพูดดีๆนะ การให้โดยการแบ่งปันใครก็รักเราหมดอ่ะนะพวกครูเคยสอนเด็กๆมีเด็กคนหนึ่งขยันมากครูนี่มอบอะไรให้เนี่ยทำเรียบร้อยหมดอีกคนหนึ่งไม่สนใจก็ถามว่าวันใดวันหนึ่งคุณครูเข้าไปเห็นแหล่งทองคําและเป็นความลับบอกใครไม่ได้แต่เขาทำงานคนหนึ่งไม่ได้ ต้องสองคนถามว่าเขาจะชวนใครเห็นไหมก็ต้องชวนคนที่มีความรับผิดชอบคนใจกว้างให้ได้อาภัยได้ใช่ไหมมันเป็นสัญชาตญาณทั่วๆไปน่ยยิ่งให้ยิ่งได้ทีนี้บังเอิญไอ้สิ่งที่เราให้เนี่ยมันเกิดทันทีเลยว่าเออเขาก็ยิ้มไงแต่ถ้าเราไปเอาของเขาเขาก็หน้าบูใช่ไหมความรู้สึกเราได้เวลานั้นแต่ทีนี้ผลของมันบางทีนี่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องชาตินีนะ้บางทีไปเกิดชาติหน้าด้วยเห็นไหม อย่างพระครูยกตัวอย่าง บ, บ่อยๆที่เห็นชัดเนี่ยสตีท่านหนึ่งขับรถไปยางระเบิดมีชายชกันห้าคนมาช่วยอีกวันหนึ่งเวลาเดียวกันที่เดียวกันอีกคนละวันเนี่ยคนหนึ่งขับรถมาชายชกัรกรุบอื่นเนี่ยมาฆ่าข่มขืนมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะมันเรื่องจากเราเคยให้เขาในอดีตนั่นแหละเด็กที่นี่มีเจ็ดแปดร้อคนเนี่ยบางทีญาติธรมาทาบุญในตู้บริจาคนะ แล้วเราก็ไปทำข้าวเลี้ยงมันสมองเขาไม่รู้จิตเขารู้บางคนเกิดมาเจอแต่คนช่วยบางคนเกิดมามีแต่คนแกล้งมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะมันมีเหตุของมันอยู่นะยิ่งให้ยิ่งได้ทีนี้มันก็มีเรื่อง เ, ออเขาเรียกนิทานธรรมเรื่องหนึ่งนะจะจะชี้ให้เห็นว่าที่ว่าไอเป็นบุญใครบุญมันเนี่ยมีสำนักธราม์สนักหนึ่ง หวนาพามเขามีเขามีชานรู้วันนั้นเขานั่งชานเขาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมสานักเขาเนี่ยไม่ค่อยเจริญเขาก็ไปเห็นว่าเศรษฐีนั่นน่ะเขาเคยล้มลุกคุกคานแล้วก็รวยขึ้นมารวยขึ้นมายิ่งทาก็ยิ่งรวยนะบังเอิญเขาไปเห็นว่าเศรษฐีในบ้านนั้นมีไก่ตัวหนึ่งเขาบอกเขาเรียกว่าสิรินะในตัวนั้นมีสิริก็คือ สิริมงคลอยู่ในไก่ตัวนั้นเศรษฐีไม่รู้พามนี้ก็เดินทางไปบ้านเศรษฐีก็ใช้อุบายว่าเออแกนั่งชานว่าเศรษฐีมีไก่ตัวหนึ่งน่ะมันเป็นอาเพศนะมันไม่ดีนะขอให้เขาบริจาคเข้าไปในวัดเน่นเขาจะได้บุญเศรษฐีก็ให้เลยพอเสร็จให้สิรษีปุ๊บไอส้สิริที่อยู่ในตัวไก่เนี่ย มันก็พุ่งไปอยู่ที่ดวงแก้วตรงหมวกเศษรษฐีพามก็เห็นอีกก็ใช้อุบายนี่ขออีกเศรษฐีก็ถอดให้เลยพอให้ปุ๊บมันก็วิ่งหนีไปอยู่ไม้ตะพดของเศรษฐีฐานนี้ก็ขออีกเศรษฐีก็ให้อีกพอให้ปึ๊บมันวิ่งไปอยู่ในตัวภรรยาเศษรษฐีพามกูไม่รู้จะขออย่างไงเขาเตะกูแน่ แต่พรามณ์ฉุกคิดเลยว่าออเรื่องนี้นี่บุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันไม่ใช่ขอเอาได้เห็นไหมถ้าเราดูภาพยนตพร์พุทธเจ้าไหมเ ด, เด็กๆเห็นไหมนะตอนที่แล้วๆนั่น่ะพระพุทธองค์ทรงเดินเดินมาอย่างนี้ไปเห็นไอ้ไอ้หอยทากตัวหนึ่งเห็นไหมนะพระองค์กลัวว่าไอ้ได้ยินเสียงมาเดี๋ยวเขาจะเหยียบ นะก็เอาใบไม้ไปช้อนอยู่แล้วก็เดินไปข้างทางในวลางที่พระ อ, องค์วางลงไปนั้นนะเทวทัตฉี่ขี่ม้าผ่านไปเลยเห็นไหมแคล้วคลาดโดยที่ตัวพระ อ, องค์ไม่รู้นะอันนี้เรียกว่าธรรมะจัดสรรเจ้าชายยิทธะถโดนกันแกล้งตั้งแต่ยังไม่เกิด ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็ถูกแกล้งถูกกังอนนจะไรจะจะทำลายทหมดั้งหมดแควขาดมาอันนี้เรียกว่าบุญนะบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันอยากได้บุญไม่ใช่ไปขอเขาสร้างเราเองนะส่วนเด็กๆที่มาเรียนพ่อกูให้กำลังใจว่าลูกตั้งใจเรียนนะอย่าห่วงนะ ตั้งใจเรียนอย่าห่วงว่าโอต้องมาจ่ายนี่พ่อครูอะไรไม่มีจะเป็นคนดีที่ไหนก็ไปนะถ้าจะทดแทนพ่อครูเนี่ยไปทำความดีนะตอบแทนแผ่นดินเกิดนะดูแลพ่อแม่อะไรเนี่ยนะนั่นหละสนองได้แต่ถ้าพ่อครูทำบุญเพราะต้องการอา mith ต้องเซ็นสัญญา ก, ก่อนเนี่ยทุนการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่บุญนะมันไม่ใช่บุญอันนั้นอันนั้นมีอามิตรนะ อันนี้เราให้โดยไม่มีเงื่อนไขขอให้เราตั้งใจเอะถ้าสนองคุณคันกว่าว่ากตัญญูต้องรู้คุณนะต้องสนองคุณนะสมมติว่าตอนนี้เราจะสนองคุณพระพุทธเจ้าที่ทำให้เราพ้นทุกข์นะเออก็ไปไหว้ของอร่อยอร่อยส่งไปให้ท่านฉันเนี่ยนะท่านไม่เอานะท่านไม่ได้ไม่ได้ขาดขาดเหลือขนาดนั้นนะเข้าใจไหมถ้าเราจะสนองคุณครูบาอาจารย์เราก็ต้องทําดีนะ เออช่วยกันจันรลงพระาศาสนาที่พระ อ, องค์เหลือไว้ให้เรานะพระ อ, องค์ไม่ต้องการอะไรแล้วนะไม่ใช่ว่าอุ๊ยเอาของอร่อยๆไปถวายพระ อ, องค์แล้วนั่งเฝ้ากลัวเขาขโมยแล้วสุดท้ายก็เอาไปกินมันอร่อยอร่อยนะมันมันอันนี้เข้าใจบุญผิดนะก็มีคำถามที่ว่าเมื่อวนันเมื่อวันก่อนก็คุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมาเยี่ยมเรานะเราคุยเรื่องลือสี ทำไมลทัทธิหรือีไม่พ้นทุกนะพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็เห็นใช่ไหมไอเรื่องนั่งสมาธิไม่มีใครเก่งกว่ารัทธิหรือสีหรอกนั่งมันกี่วันก็ได้จะเอาท่าไหนก็ได้ด้วยแต่ลูีคือเขาใช้อุบายในการเล่นโยคะเห็นไหทุกวันนี้โยคะกลายเป็นธุรกิจเพื่อรักษาร่างกายลอสีดัดตน ดัดอยู่ตรงนั้นดัดอยู่ตรงนั้นดัอนนดอยู่ตรงนี้น่ยคือวิจัยกายภาพแล้วก็เพื่อยังไงจะปลดเอ็นตัวนี้ตรงนี้รักษามันอย่างงี้ไปติดกายภาพโดยไม่รู้ตัวไปติดตนไงเมื่อผู้เจ้าตัดสูรู้แล้วเนี่ยพูดคําเดียวท่านเองให้ดูสีจากดัดตนกลายเป็นตัดตนมาตัดตัวเองทิ้งซะวางสังขารไม่ใช่ไปติดสังขารเส้นผมบางภูเขาแค่นั้นเอง แล้วปฏิบัติเพื่อละอันนี้ปฏิบัติเพื่อว่าอุ้ยห่วงมันมากนะไอ้คนที่ห่วงสังขารตัวเองมากเฮ้ยอันนั้นดีกูก็วิ่งไปเอ น, นีนวดดีก็นวดนวดน ว, ดนวดก็ดีนวดแผนไทยเนี่ยมันเป็นยาชนิดหนึ่งเมื่อเราไม่เป็นปกติเราก็ทําไม่ใช่ว่าทําเพราะเป็นกิเลสนวดแล้วมันสบายสบายอันนั้นแหละลือสีดัดตนต้องตัดตนทิ้งซะ ไม่ใช่ไปติดตรงนั้นน่ะติดตรงนั้นแค่นั้นเองมันละเอียดอ่อนมากกมชี้เจตนาเพราะเรามีเป้าว่าเราจะรักษาร่างกายนะใช่ไหมเหมือนอย่างนี้เหมือนวิทยาศาสตร์การแพทย์ตอนนี้แหละไปโรงพยาบาลปุ๊บมีแต่ห้องตรวจโรคไม่มีห้องตรวจคนเห็นไมไอ้โรค ก, กูจะฆ่ามึงฆ่ามึงเขาจะรักษาโรคให้เรา พราะูบอกอย่ารักษานะเพราะคูจะเวียงโลกทิ้งเห็นไหมมันรักษาโรคแล้วมันก็อยู่กับเราไงเขาก็เลี้ยงโลกนืโลกอย่าไปรักษามันเหวียงมันทิ้งอย่าให้มันอยู่กับเราอันนี้เป็นรักษาให้มันอยู่กับเราไงเห็นไหมแล้วก็โลกนี่มันกินอะไรรู้ไหมอาหารมันคือยาไงมันก็ติดยาแล้วเมื่อไหร่เราจะพึ่งตนเองได้บางครั้งอย่าใจส่อเนาะเห็นไหม มีแต่ห่วงสังขารตัวเองมากมากมันไม่ก้าวหน้านะเราหลอกคนอื่นได้เราหลอกจิตเราไม่ได้ภูมิคุ้มกันไม่เกิดนะก็มีคำหนึ่งก็บอกติดบุญติดคุณติดบุญติดบุญของโลกก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนะเป็นหนี้เป็นกรรมเป็นธรรมติดโลก เป็นธรรมะซึ่งติดโลกเราแก้ด้วยยังไงแก้ด้วยกตัญญูกะตะเวทิตาทิตกตัญญูคือรู้คุณแล้วก็ต้องทดแทนคุณอย่างพ่อแม่เนี่ยนะถ้าไม่มีท่านก็ไม่มีเราที่ก็เปรียบเสมือนว่าเป็นพระอรหันต์ของลูกเป็นพรมของของลูกนี่แหละนะเราก็ต้องทดแทนโดยกตัญญูรู้คุณแล้วก็ทดแทนคุณ ทดแทนคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่ว่าหาเงินหาเงินมาบําเรอแม่แม่เป็นโรคเบาหวานนะแต่ว่าแม่กินของหวานแล้วมีความสุขเราก็ทดแทนแม่ซื้อของหวานให้แม่กินวางแผนให้แม่ตายผ่อนสงอันนี้ไม่ใช่กตันอยู่แต่กันอยู่ต้องรู้คุณรู้โทษไม่ใช่สนองตันหาน้อดีที่สุดคือพาแม่ชี้ทางทําให้แม่ให้แม่ขัดเกลาจิตแม่เองแล้วก็ให้แม่พ้นทุกข์นะ และอันดับแรกเราต้องเป็นเด็กดีทำแต่ความดีถ้าเราไปทำความชั่วเขาดา่าไอ้ลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนแม่เราอยู่บ้านจะเฉโดนด่าแล้วนะอันนั้นไม่กระตันยูเนาะน่ยกระตันยูรู้คุณคือทดแทนต้องทำความดีพอเขาทำความดีเขาสรรเสริญเออเด็กคนนี้พ่อแม่เป็นใครวะทำไมสอนดีอย่างนี้เห็นไหมพ่อแม่อยู่บ้านก็ถูกชมเชยแล้วนะกระตันยูต้องรู้คุณรู้โทษไม่ได้ไปว่าสนองตัญหา นะก็ต้องต้องทำให้เป็นเคยชินนะให้ประทับจิตติดวิญญาณเป็นขบวนการนิสัยเป็นติดไปเลยไม่ต้องคิดก่อนว่าจะทําดีไหมทําดีโดยอุปนิสัยทําไปเรื่อยๆนี่แหละคือทดแทนพ่อแม่กับครูบาอาจารย์คือทุกวันนี้เนี่ยเราติดอะไรก็คือติดคําว่าติดก็คือหลงติดดีก็ก็ติดก็คือหลงโลภโกรธหลงคือทุกข์นะ ก็ตอนนี้เราติดขันห้าเราเนี่ยว่าเป็นของเราเห็นไม้มอันนี้เป็นธรรมะติดโลกเพราะว่าขันห้ามันเป็นของโลกเป็นของธรรมชาติไม่ใช่ของเราพอเราไปคิดตัวว่าของเราเมาื่อไหร่นี่เราเป็นขโมยเราเป็นคนลักทรัพย์เราผิดศีลละเราก็ทุกข์สิพอเราบอกของกูร่างกายนี่ของกู พอเขามาตีเราหน่อยหนึ่งเนะี่ยมึงตีกูทำไมเห็นไหมเราก็ทุกข์ไงนี่ผิดศีลแล้วผิดศีลเราก็ต้องทุกข์นะเราไปขโมยของธรรมชาติเป็นของเราใช่มทีนี้มีมันแต่ไม่ติดมันเรามีรถแต่เราไม่ติดรถมีบ้านเราก็ไม่ติดบ้านมีขันห้าเราไม่ติดขันห้าอันนี้เขาเรียกว่า เพราะมันเป็นมูลของธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมหลุดโลกเป็นธรรมหลุดโลกหลุดจากความหลงโลกอันนี้เป็นทางเดียวที่เราจะไม่ต้องข้ามวัฏฏะสงสารเพราะเราเป็นหนี้ใช่ไหมธรรมชาติเราต้องเกิดมาใช้หนี้เขาอีกนะถ้าเราจ่ายหนี้หมดแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมะหลุดโลกนะเราทุกข์เพราะเราไปติดไอ้ความที่เรามี คำว่าว่างเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีนะบางคนนั่งโอยว่างว่างว่างว่างนะวันนั้นมีญาติธรรที่กรุงเทพปองโคตรไปสอบอารมณ์ผมไม่มีอะไรแล้วผมว่างว่างปองบอกว่าว่างก็ไม่ใช่นะจิตตกเลยเอาไหนมคนว่างทำไมจิตตกได้ฮะยังมีคนว่างมันยังมีคนว่างมาถึงมีคนจิตตกไงว่างไม่ได้นี่มันหลอกเรานะมันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งมันเอาว่างมาหลอกเรา นะว่างไม่ได้แปลว่ามันไม่มีมันมีแต่เราว่างจากการยึดมั่นถือมั่นกับมันเนาะนี่ร่างกายนี้มีมันเป็นอนัตตาไงนะมันมีแต่เราไม่ไม่ปนปหลงมันเห็นไหมเนี่ยทำงานอย่างหลวงอาจารย์พุทธทาสบอกทำงานอย่างจิตว่างนะไม่ใช่ร่างกายไม่มีมีเราใครจะไปทางาน แต่ทำด้วยจิตว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นนั่นแ่ะเราจะไม่ทุกข์บางคนก็ถามพ่อครูเราอ่านหนังสือเยอะๆดีไหมอ่านเรื่องธรรมะเรื่องอะไรพ่อครัวอ่านแค่สังเขปเหมือนเราดูแผนที่ปุ๊บเดินจะมัวจะไปท่องจำนะเออูมากทุกข์มา ก, ก, มากความรู้เนี่ยไม่ใช่รู้แล้วไปยึดมันฉันเป็นโน่นเป็นนีน่ เป็นศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์ไม่เป็นคนละแค่เป็นคนก็ทุกข์มากมาแลวยังเป็นโน่นเป็นนี่อยู่เนี่ยอันนั้นคือหลงความรู้อันนั้นกลายเป็นว่าความรู้แทนที่จะมีประโยชน์เป็นโทษเป็นสร้างอัตราขึ้นมาแบกอยู่ตรงนั้นแหละนะก็คือเรารู้เพื่อรู้วิธีวางรู้ว่าอ๋อนีมันไม่ใช่เบี่ยงทิ้งอันนี้ไม่ใช่เบี่ยงทิ้งนั่นแหละเป็นทางปนทุกข์ นะไม่ใช่รู้วิธีเอานะตอนนี้การศึกษาสอนให้รู้วิธีเอาทั้งนั้นแหละนะเอากลัวไม่ได้มันก็ทุกขนะ์ไงเอามาแล้วดีใจวันหนึ่งเขาขโมยไปก็ยังทุกข์อีกแต่ไม่ใช่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่เอามาถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ไม่มีกินนะแต่อย่าไปติดมันอย่าไปติดความมีนั้นนะเป็นเรื่องของจิตวิญญาณทั้งนั้นหละก็พระพุทธองค์เนี่ย ท่านละทิ้งสังขารทิ้งกระดูกจึงพ้นทุกข์แต่ถ้าเราไปหลงเอากระดูกมายึดก็คือยึดยึดโลกเป็นธรรมที่พระองค์ไม่ทรงไม่ทรงสนับสนุนแต่ถ้าเรามีมีพระพุทธรูปและมีพระวรมสารีกรธาตุเนี่ย เป็นเหมือนสั ญ, ญลักษณ์พระบุตรเจ้าเรากราบไหว้ไม่ใช่เราหลงว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรากราบไหว้เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นการเตือนสติเราเนี่ยอย่าหลุดจากมรรคจากทางถ้าใครกราบไหว้พระพุทธรูปในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอโน่นขอนี่เราไม่เข้าใจพระเจ้าเราดูถูกพระพุทธองค์ พระพุทธองค์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้เราพ้นทุกข์ไม่ได้ทุกวันนี้เห็นไหมเราห่อเหินเดินอากาศได้ไปกรุงเทพชั่วโมงหนึ่งถึงแล้วเราหูทิพนะคุยกับเพื่อนที่ฝรั่งเศสได้ยินเลยเห็นไหมตาทิพด้วยเขาแสดงละครอยู่โตกเกียวเราก็เห็นไม่ใช่ไม่พ้นทุกข์อ่ะเป็นทุกข์ด้วยแต่พระเจ้าไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คําสอนพระองค์ถ้าเราทําจริงเราพ้นทุกข์ได้ พระพุทธรูปเอ่ยพระบรมสารีกธาตุเอ่ยก็เหมือนเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์นะ เ, เป็นอุบายวิธีทำใหเ้เราลึกถึงพระองค์ตลอดเวลานะบางคนถามว่าเอ๊ะที่นี่ทำไมเขากราบพระครูสามครั้งอะไรเนะลยวไปติดรูปแบบนะกรากบคนเนี่ยต้องกราบครั้งหนึ่งสิกราบพระถึงสาบสังคาสามครั้งนะ พ่อครูมันต่างอะไรกับกับพระพุทธรูปฮะพ่อคูยังพูดได้นะแล้วกาผ่านไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธธรพระสงฆ์เฉยเฉยมันเป็นแค่สั ญ, ญลักษณ์ไปติดรูปแบบอะไรเนี่ย เ, ออเราเห็นจิตเขาไหมเขาเป็นคนธรรมดาหรือเขาเป็นพระเห็นไหมแล้วไปติดรูปแบบไปติดอิทธิฤทธิ์พวกนั้นน่ยมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์นะ ก็มีอีกข้อหนึ่งที่บอกว่าคนรวยตายแล้วคนไม่เอาเขากลัวด้วยเขาเอาแต่เงินสังเกตไหมไม่ใช่คนรวยธรรมดานะไพมีพ่อแม่รวยมากเลยนะพอตายปุ๊บเขาเอาศพไปฝังป่าชานี่ไม่กล้าไปหาคุณพ่อคุณแม่นะ มีแต่ว่าท่านเหลือทรัพย์สมบัติอะไรบ้างก็มาแย่งกันนะเอาแต่เงินนะไม่เอานะแต่คนดีคนที่มีศีลธรรมแบบตายแล้วปุ๊บนี่แย่งเอาเท่าทานเอากระดูกมาบูชานะเห็นไหมเราบูชาในฐานะต้องต้องเข้าใจวาเวลาบูชาทําไมนะไม่ใช่บูชาในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเป็นสัญลักษณ์นะแสดงออกถึงความกระตันอยู่แล้วก็ เตือนสติให้เรากระตัญญูรู้คุณแล้วต้องกระตะเวทิตาจิตก็ใครว่าต้องทดแทนบุญคุณก็คือว่าทำความดีทดแทนบุญคุณไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่ว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าพระพุทธเจ้าก็คนมีศีลมีธรรมบูชาบูชาได้แล้วจะเจริญธรรมบูชาเงินบูชาวัตถุก็เจริญกิเลสกิเลสมันโตขึ้น เขเลือกเอานะก็ทรัพย์ภายนอกเนี่ยทำให้ทุกข์แต่ทรัพย์ภายในทําให้พ้นทุกข์ทรัพย์ภายนอกถ้าเรารู้เท่าทันมันเนี่ยไม่สุขไม่ทุกข์เป็นเครื่องมือดํารงชีวิตเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นหลงมันเมื่อไหร่เนี่ยทุกข์แน่ๆนะเพราะคนอื่นเขามีมากกว่าเราเราตายก็ตายไม่หลงนะ เพราะวางไม่ได้แต่ถ้าทรัพย์ภายในเนี่ยมันทําให้เราวางได้หมดเราไปแบบตัวเบาๆเป็นทางทางเดียวที่เราจะพ้นทุกข์แต่ภายนอกก็ไม่ปฏิเสธเหมือนเราไม่เราไม่มีกายเนี่ยก็เราก็เจริญไม่ได้เห็นไหมเราก็อาศัยทรัพย์ตรงนั้นอะ่ะมีบ้านหลบแดดหลบฝนไม่งั้นเราก็ไม่สบายเห็นไหมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการดํารงชีวิตแต่ถ้าเป็นหลงมันเมื่ อ, อไหร่เนี่ยเราจะทุกข์เราทุกข์เพราะเรามี บางคนบอกว่าไม่เชื่ อ, อเพราะฉันไม่มีนะ่ยฉันถึงทุกข์ตอนนี้นะเขบอกไม่เชื่อเห็นไหมเขามีเงินเหรอเขานั่งรถแพงๆเขามีบ้านหลังอยู่ติดแอร์ติดอะไรอะไรเห็นไหมเขามีความสุขเรามองแต่ข้างนอกเขาเป็นแค่คนมีความสะดวกสบายนะมีความสุขสบายเท่านั้นเองนะคุณรู้ได้ยังไงเขาสุขไหมสุขทุกข์มันเป็นเรื่องข้างในนะ สมัยก่อนพ่อครูเคยเล่นการเมืองที่อุบล น, น, นะคู่แข่งก็เป็นเจ้าพ่อเศรษฐีเนี่ยไม่ค่อยนั่งเครื่องบินนะขนาดมีเงินน ะ, น, ะนั่งรถไฟเหมาตู้ชั้นหนึ่งเหมาหมดเลยมือปืนต้องไปด้วยสิบคนเข้าห้องน้ำต้องยืนคุมเลยนะแล้วมึงจะรวยมาทำไมนะไม่อิสระเลย เห็น ไ, ไหมคือคือพ่อครูบอกแล้วว่าความรวยไม่ใช่ไม่ดีนะถ้าจำเป็นต้องรวยก็รวยเถอะอย่าไปทุกข์กมันอันนี้เข้าห้องน้ำต้องไปยืนเฝ้านะแล้วสุดท้ายก็จบที่ถูกฆ่าตายเหมือนกันเห็นไมถ้าจำเป็นต้องจนก็จนเถอะก็อย่าไปทุกข์กมันจนไปว่าไม่มีไม่ได้ไปว่าทุกข์รวยไปว่ามีเยอะไม่ได้ไปว่าสุข นะเราแปลผิดหมดทีนี้คนที่เขาแยงบอกว่ามันไม่มีมันถึงทุกข์ไงจริงๆแล้วเราเข้าใจผิดหนึ่งเรามีกรรมเราถึงได้มาเกิดอยู่ในร่างในแถมขันห้ามาด้วยอยจตนะหกแบกขันมันสนุกดีเนาะนะบางทีเผลอเนี่ย กะกะตะการนี่มันอร่อยมากอะไรนี่ฟันกัดลิ้นตัวเองเห็นไหมเดี๋ยวก็เจ็บท้องแล้วก็ท้องอืดเดี๋ยวก็นอนไม่หลับเห็นไหมเพราะเรามีขันห้านะเมื่อเรามีกรรมแล้วเราก็มีขันห้ามีอายตนะหกเห็นไหมเราต้องมีหน้าที่ดูแลมันกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ทุกข์แล้วยังทุกข์เพื่ออยากจะไปสู้กับเขาอีกจะรวยกว่ากันอีกเนี่ยไม่ใช่ทุกข์เพราะเราไม่มีทุกข์เพราะเรามีตั้งแต่มีแล้วถึงได้มาเกิดไงถ้าไม่มีปุ๊บ จบผลทุกทันทีแต่ไม่ใช่ไมมันไม่มีไม่ใช่บ้านไม่มีมันมีก็เรื่องของมันมีแต่ว่าเราไม่ไปติดความมีนั้นนะร่างกายมันก็มีขันห่าก็ให้มันมีสิเราอย่าไปหลงว่าเป็นของเรานะที่เราทุกเพราะว่าเราเป็นคนไม่ซื่อสัตย์เราเป็นคนไม่มีศีลเราผิดศีลผิดธรรมผิดศีลเนี่ยคืออะไรเห็นผิดความเป็นศีลคือความปกติ ศีลธรรมเนี่ยเป็นความปกติของธรรมชาติเมื่อร่างกายเหานี้ดินน้ำลมไฟนี้เวลาเราไปเผาเห็นไหมปลายแล้วไปเผาปุ๊บกลายเป็นอากาศธาตุคืนสู่เป็นธาตุลมเหลือเป็นธาตุดินมันไม่ใช่ของเราเมื่อเราไปคิดตัวว่าเป็นของเรานี่เราผิดศีลผิดธรรมผิดธรรมชาติมันก็ต้องเป็นกรรม เราก็ต้องรับเห็นไหมเพราะครูเห็นจากตัวเองนะโอ้ยคิดคิดคิดเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คิดไม่บัญญะบัรญยังเออเราเก่งมากเราเก่งหาเงินไงเงินเต็มบ้านทีนี้ก็ต้องรับกรรมเป็นไมเกรนเป็นโรคกระเพาะเห็นเพราะเราใช้ร่างกายเราเนี่ยไปสร้างฐานะแล้วเราก็ดีใจดีใจว่าเออฉันฉันมีแล้วมันก็ผิดศีลผิดธรรมไง มันก็เป็นโครคภัยไข้เจ็บเราสร้างกรรมเพราะว่าเราหลงตัวเองเพอวินาทีที่มันระเบิดปึง้งมันฆ่าไอตัวที่มันหลงตัวเองทิ้งอ่ะไม่เกรนหายเดี๋ยวนั้นลกกรเพาะหายเดี๋ยวนั้นเพราะตอนนี้เราฉลาดแล้วไงเราคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดเวลาที่เหลือของเราเป็นส่วนเกินหมดเห็นไหมเมื่อเรา ทดแทนธรรมชาติคืนยอมคืนใครคืนเร็วที่สุดเวลาที่เหลือนี่เราเป็นเศรษฐีตัวจริงนะเรากำไรชีวิตเราจะเบานะไม่ต้องแบกมันไปด้วยเนะี่ยทั้งหมดคอือเราไม่เข้าใจชีวิตการศึกษาสังคมมันสอนให้เรารู้ผิดไปยึดมั่นถือมั่น เมื่อมีตัวเราก็มีลูกเรามีหลานเรามีบ้านเรามีทรัพย์สมบัติของเราไงทั้งหมดนี่ไม่ใช่ของเราเนี่ยมันคือมูลของธรรมชาติแต่เราเอาเป็นของเราหมดเนี่ยเราผิดศีลลวเราไปขโมยของธรรมชาติแล้วก็ผิดธรรมชาติแล้วเนี่ยผิดศีลผิดธรรมเป็นกรรมอย่างหนึ่งนะคำตอบคือว่าพวกเรามาปฏิบัติทำไมปฏิบัติให้จิตเราคืนสู่ธรรมชาติเดิมของเขา แล้วเขาก็จะหายโง่แต่สิ่งที่มีอยู่คำว่าเวี่ยงทิ้งนี่ไม่ใช่เอาไปเผาทิ้งนะไม่ใช่เอาขันท่าไปเผานะมันจะวางมันจะเวียงความยึดมั่นถือมั่นที่เราไปหลงว่าเป็นของเราทิ้งเราอยู่แล้วก็ใช้มันทำประโยชน์นั่นแหละเวลาที่เหลือเนี่ยเราจึงจะเป็นเศรษฐีตัวจริงนะเพราะครูก็มีเพื่อนหลายคนทุกสาขาอาชีพล่ะนะ ก็ทยอยทยอยกันเด้งเด้งเด้งเด้ยเด้งเพราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่หมดรวยเงินแต่จนชีวิตไม่มีเวลามาทําความดีไม่มีเวลามาเจริญมรรคนะรวยเงินแต่จนเวลาชีวิตคือเวลาอายุไขคือเวลาใครมีเวลาให้กับตัวเองมากที่สุดคนนั้นรวยชีวิตที่สุด ทุกวันนี้มีแต่รวยเงินแต่จนชีวิตนะเพราะเขาไม่เขากล่าวไหว้ผู้เจ้าแต่เขาไม่เชื่อผู้เจ้าเขากล่าวไหว้เขาก็มูสาเขาก็ผิดศีลอีกนะเขาไม่ทำตามพิจาแต่เขาไปทำตามทุนนิยมเห็นไม้มแล้วก็ไปสร้างอัตราตัวตนนะเขาก็ผิดศีลผิดธรรมไงเขาก็ต้องทุกข์แต่เขาไม่ใช่เป็นคนไม่ดีนะไม่ เขาเป็นไปตามกรรมของเขานะก็อันนี้วันนี้ก็เก็ดเล็กเกตน้อย <c oughs> ก็มาแบ่งปันนะฟังหูไว้หูอย่าเพึ่งเชื่ออย่าพิ่งปฏิเสธแล้วก็ว่างๆก็ไปถ้ามันจำเป็นต้องคิดนะก็คิดแต่เรื่องเป็นกุศลเอาไปพยยิจารณาเอ๊ะมันจริงหรือเปล่าอะไรๆเนี่นะเอออย่าไปคิดแต่เรื่องส่งออกไร้สาระนะ พระพุทธเจ้าสอนวิชาชีวิตท่านสอนให้เรามาอยู่เริ่มจากหลับตาเนี่ยนะเราจะเห็นข้างในชีวิตเราลืมตาปุ๊บเป็นเพราะเธอด่าฉันฉันจึงทุกข์นะเป็นเพราะมึงอย่างนั้นมึงอย่างนี้มึงอย่างนี้เป็นเพราะอย่างนั้นหนดนะมันสว่างเป็นเพราะพระอาทิตย์ขึ้นมันมืดเป็นเพราะพระอาทิตย์ลงไปโทษอีกว่ามันขึ้นมันลงพระอาทิตย์ไม่เคยขึ้นมันไม่เคยลงนะโลกมันหมุนเห็นไหม เราต้องเปลี่ยนที่ตัวเองเป็นเพราะนั้นเป็นเพราะนี้เห็นไหมเป็นเพราะเราโง่เองไงเขาด่าเร า, เ า, า, าก็มันีปากมันก็ดา่าเรามีหูแล้วก็ได้ยินมีสิทธิ์ไม่ต้องเอามาคิดนะก็ไม่ชี้ช่วงหลังก็ดาเนินทุกคนก้าวหน้าระดับหนึ่งแต่ว่าอย่าพอใจแค่นี้นะก็เดินต่อไปทําดีก็ดีแล้วแต่ทําดีอย่ามีเงื่อนไขนะทำดีอย่าไปติดดีแล้วมันจะทุกข์ ทำหน้าที่เพราะหน้าที่อย่าให้หน้าที่นั้นกลายเป็นภาระหน้าที่เป็นภาระเมื่อไหร่หนักนะทำหน้าที่อย่างมีความสุขที่เราทำหน้าที่เพื่อให้เนี่ยนะแน่นอนที่สูงนี้มีแต่ให้หมดอ่ะมันไม่ได้ทำเพื่อเอาไม่มีใครมีเงินเดือนสักคนนั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมล่ะให้แบบบริสุทธินะทานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือสุญญาตาทาน ไม่มีผู้ให้ไม่มีผู้รับแต่ถ้าคนเลือกให้เออให้คนนี้ฉันดีใจคนนี้คูไม่ให้อันนั้นเป็นบุญกิริยาเป็นกิริยาในการทำบุญเฉยๆแต่ไม่เป็นกุศลจิตไม่เป็นกุศลมันมีอคติสุญญาตาทานคือสลัดออกบุญคือเบาบาปคือหนักได้ทันที อันนั้นเป็นบุญอย่างยิ่งเราต้องฝึกนะมันไม่ได้ง่ายๆกิเลสมันไม่ยอมนะแต่เมื่อเราตัดสินใจเดินทางแบบนี้แล้วเนี่ยต้องมีศรัทธากับสิ่งที่เราทำต้องมีขันติต้องมีวิริยะเรามีอยู่แล้วต้องใช้มันใช้มันทุกวันมันอาจจะฝืนตัวเองเราตัดเนื้อตัวเองเจ็บไหมก็ต้องเจ็บสิอมันไม่มีอะไรให้แล้วไงก็ตัดตัวเองให้ไปไง มันร้เจ็บเมื่อเราทนเจ็บได้เราได้อะไรทานบา ร, รมีได้ขันติบา ร, รมีพอตะัดตัดตะตัดตัดตัดจนมันหมดเลยตัวเราไม่มีแล้วเนี่ยใครจะตีเราเจ็บได้ไหมนั่นแหละยิ่งให้ยิ่งได้ก็มันตัดจนมันด้านหมดแล้วตัดจนความเคยชินแล้วไงมันจะเจ็บได้ยังไงเมื่อตัวเราไม่มีแล้วเนี่ยใครก็ตีเราไม่ได้ใครก็ด่าเราไม่ได้ เห็นไหมมันดีไหมเนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้ดูตัวเองนะดูตัวเองพ่อคูทําให้ดูมา26ปีแล้วอยู่ที่ว่าใครจะเห็นเท่านั้นเองนะยังห่วงนั่นยังห่วงนี่ยังยึดน้นยึดนี่อยู่บางคนทําดีทําดีติดบุญเนี่ยพ่อคูเตือนหลายคนนะมีหลวงพี่หนึ่งตอนนี้ท่านก็กำลังสร้างบุญกุศลเพราะรู้รู้จักกันสนิทกันดีกว่าหลวงพี่บุญเต็มเปี่ยมแล้วลูกโป่งมันลอยตั้งนานแล้ว แต่มันขึ้นไม่ได้มันติดบ่วงติดบ่วงไปติดดีต้องอย่างนั้นอย่างเนี้ยแค่ตัดบ่วงเฉยๆมันก็ลอยแล้วนะเมื่อแต่ไปติดบุญบุ ญ, บ, ญบุญตรง น, นั้นแหละนะบุญยิ่งใหญ่ที่สุดคือตัดบ่วงที่มันดึงเราเนี่ยทำไปคู่กันแต่ที่พ่อคู่เห็นว่ามันลอยแล้วแต่มันถูกบ่วงแค่ตัดบ่วงซะ ตัดไม่ได้นะกิเล็นไม่ยอมนะยิ่งไปหลงดีติดดีนั่นแหละนั่นคือบางคนบอกว่าเอ๊ะหนูทำดีแล้วมีอะไรไม่ดีไม่ดีนะไอ้ติดดีนั่นแหละมันไม่ดีเห็นมทดีไปติดดีอีกเนี่ยทำดีทำแค่พอดีแต่ไม่ติดดีคือทางสายกลางนะติดดีปุ๊บมันไม่ใช่สุญญตาฐาน เด็กที่นี่เจ็ดดร้อคนพ่อครูไม่ค่อยรู้จักชื่อนะพ่อแม่เป็นใครพ่กครูไม่ต้องรู้เลยมีหน้าที่ให้ก็ให้ไปเห็นไหมอันนี้ต้องเลือกคนให้ถ้าลูกหลานฉันให้ถ้าลูกไม่ไ ม, ไม่ไม่ให้อันนั้นมันไม่ใช่บุญนะมีเด็กคนใช้คนหนึ่งเท่าแก่ก่อนจะไปนอนกลางคืนสั่งพรุ่งนี้ตื่นตีสี่นะมาหุงหาอาหารตื่นเช้ามาไปใส่บาตรเท่าแก่ก็นอนหลับ มันก็ตื่นขึ้ น, นมางงเงียจริงๆรังไม่อยากตื่นหรอกไม่อยากตื่นมันนอนก็ไม่พอเห็นหมเออทำไปด้วยบนไปด้วยอแล้วก็ไปใส่บาตรข้างบ้านเนี่ยถ่ายวิดีโอโอ้โหเด็กคนนี้มันบุญเยอะเลยมันมันทำบุญทุกวันเนยนะไม่ได้อะไรเลยนะไม่ได้อะไรเลยนะเป็นเป็นกิริยาในการทำบุญ่ะนะ แต่จิตไม่เป็นกุศลเลยไม่มันเป็นบุญกิริยาแต่มันไม่ใช่บุญกุศลแต่คนที่สั่งแล้วนั่นได้เต็มๆ เ, เลยเห็นไหมแต่ถ้าเป็นเราเรามีความพึงพอใจไปทำอย่างมีความสุขแล้วก็มีศรัทธาด้วยเราก็ได้เต็มๆเท่าแก่เขาเขาเสียเขาเขาเสียบุญโดยวัตถุทานนะเขาสละวัตถุ เราแรงงานเราเนี่ยเป็นทุธันพำทา น, นอย่างเขามาทำบุญกระถินเนี่ยเราไม่ทำยังไม่ว่าเนี่ยไปอิจฉาเขาอีกใช่สิมันมีเงินแทนที่จะสาธุเราก็ได้เต็มเต็มกับเขานะ่ะไม่ได้บุญกับบาปอีกบางคนมีเมตานะมีกรุณาทุกคนมองตัวเองนะหลายคนที่นี่มีโอ้เด็กมันล้มลงไปสงสารนะเออ แต่ธุระไม่ใช่กูก็เดินหนีมีแค่เมตานะไม่มีกรุณาบางคนวิ่งไปช่วยเขาด้วยกรุณาเจ็บหรือเปล่าลูกนะไปส่งถึงบ้านแต่วันดีขึ้นดีนี่เขาได้ดีกว่าเราไม่มีมุติตาไปอิจฉาเขาอีกไม่ยินดีกับสิ่งที่เขาได้เห็นไหมขนาดว่ามีกรุณาเขาก็ แต่พอเขาได้ดิบได้ดีกว่าเราเนี่ยไม่มีมุทิตาหาเรื่องเขาว่าเขาทําอะไรก็บอกไม่ดีไม่ดีไม่ ด, มดีเห็นไหมเราไม่มีมุทิตาอิจฉาเห็นไหมบางคนก็มีมุทิตานะโอ้ยสาธุที่ช่วยมันเนี่ยไม่ผิดหวังเลยเออมันได้ดีกว่าเรามีมุทิตานะแต่วันใดวันหนึ่งเนี่ยมันมาเบียดเบียนเราเนี่ยชักโมโหแล้วเห็นไหม ไม่มีอุเบกขานิ่งไม่ได้ละเราต้องสอบตัวเองว่าเราอยู่ในระดับไหนถ้าทำได้อย่าไปว่าเก่งแล้วนะถ้ามีเมตตากรุณาเมิต า, นะตาอุเบกขาแต่อุเบกขาตรงนี้เป็นแค่อุเบกขาของพมมนุษย์ผู้เสรศเท่านั้นเองนะบางทีมันเบียดเราเราก็รู้สึกไม่พอใจอยู่เออช่างมันเถอ่ออภัยทานเราก็ได้อภัยทาน แต่ก็แค่นี้เป็นแค่มนุษย์ผู้ประเสริฐตายแล้วไปอยู่พรมโลกเราทำมากกว่านั้นอีกทำไปจนถึงอุเบกขาสัมโพชงอันนั้นเป็นที่อยู่ของพระอริยะนิ่งเฉยโดยไม่ต้องให้อภัยเพราะเราไม่รู้สึกว่ามันถูกมันผิดเลยตั้งแต่แรกใครก็กระทบไม่กระเทือนเรา อันนั้นปลอดภัยอันนี้ยังมีทิฏฐิมานะอยู่ยังติดถูกติดผิดทุกคนต้องหันมามองตัวเองนะเออแล้วถ้าเราคิดเราเชื่อมั่นตัวเองเราก็ต้องให้เกียรติคนอื่นว่าเออเขาก็มีสมองเหมือนกันนะเขาอาจจะทำสไตล์ของเขาแล้วอาจจะไม่ชอบเอออย่างน้อยๆถ้าเรามีสำนึกนะเออก็นิ่งๆซะนิ่งเฉยตำลึงทอง นิ่งปุ๊บไม่ต้องสร้างกรรมใหม่แต่ตอนนี้เราสู้ไม่ได้ไงสู้กิเลสเราไม่ได้ได้ไงได้ไงมันทำข้ามหน้าฉันเห็นในขณะที่เรามีเมตตากํเากลังฝึกอยู่ก็มีอยู่ก็เราเป็นคนให้แล้วทุกคนให้หมดเลยที่นี้ไม่มีใครไม่ให้แต่พอคนอื่นเห็นเขาให้มากกว่าเราเนี่ยชักชักจะไม่ยอมไม่มีมุธิตาจิตนะอันนี้โง่นะเห็นเขาทาความดีเราอนุโมทนาเขาด้วยนี่ เราได้เต็มๆเลยคนอื่นไม่รู้จิตเรารู้แต่ถ้าเราไม่ให้อิจฉายังไปพูดเสียดสีเขาอีกน่นเนี่ยจิตก็รู้มันก็บันทึกไว้หมดเลยอันนี้วัชีกรรมวัชีกรรมนะเมื่อเดินทางมาทางนี้แล้วบุญเยอะแล้วเนี่ยเมื่อไหนๆก็มาแล้วเนี่ยลุยตายเป็นตายอย่าอยู่เลยถ้าอยู่แล้วมันทุกข์เนี่ยมันหนักโลกตายให้มันตายเถอะ เห็นไหมถ้าเราทำความดีแล้วมันตายนี่สาธุอย่าไปตายตอนที่มันทำชั่วนะเสียชาติเกิดนะมันไม่ตายหรอกอันนี้ตัวเองไม่ได้เสียอะไรไม่ได้เสียอะไรนะแค่ไปเห็นเขาดีกว่าเอาเนี่ยจะตายเนาะอย่างนี้ต้องตายไวๆดีกว่านะเห็นไมอนุโมทนากับเขานั่นหละเ้วเป็นผู้ให้ ใครก็รักเราต้องดูตัวเองนะแก้ที่ตัวเองอย่าไปดูคนอื่นมองคนอื่ น, นเห็นคนอื่นเป็นกระจกดูตัวเองเมื่อเห็นตัวเองก็แก้ตัวเองอ่ะไอ้ตัวที่เรามีตรงนี้อยู่บางทีอะไรยังไม่ได้ทําเลยอะไรๆเนี่ยเออยังไม่ลองเลยว่าได้ไม่ได้ไหมอ๋อมันก็ต้องลองทําดูก่อนมันจะรู้ได้ไม่ได้ใช่ไนะเมื่อเขากําลังลองเนี่ยก็ให้เขาลอง ถ้าเรามีอะไรสรับสนุนเราก็สับสนุนเขานะเนี่ยฝึกนะการปฏิบัติธรรมคือการกระทําตามธรรมชาตินะการให้เป็นหน้าที่เราทานศีลภาวนานะพาอครูเคยเล่าให้ฟังแล้วไงมีนักวิชาการมามาส อ, สอบพระครูว่าพระครูทําไมเสียสละขนาดนี้พรอครูว่าพระครูไม่โง่เสียสละนะชีวิตทำเล่นที่ไหนเนี่ย เพราะกูไม่ได้เสียสละเพราะกูทำในสิ่งที่ควรทำเป็นบ้าอไปเสียสละทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่เราไงนั่นแหละยิ่งให้ก็ยิ่งได้เราเบาไงเราออกก้อนหินโยนออกไปทีแล้วก้อนทีแล้วก้อนมันก็เบาก็เบาเห็นไหมคนอื่นไม่รู้ก็ช่างเขาสียเห็นไหมเด็กๆที่นั่งอยู่ที่นี่นะหกคนเนี่ยอันนี้เขาเสียสละนะ เขาเป็นวาเลนเทียจิตอาสามามาทดลองเรียนรู้ไอ้โปรแกรมใหม่เรามาจะจัดโรงเรียนเราเทอมหน้าเขามีเวลาเจเดือนแค่เรียนหนังสือไม่พอนะลูกเวลาเข้าห้องน้ำเนี่ยห้องน้ำไหนเปื้อนนี่ถูถูถถถููได้เต็มเ็มไม่ใช่กวาดใบไม้แล้วก็มองว่าครูมองเราหรือเปล่านะอันนั้นได้ 10% ซมันมีอามิตร แต่ไปห้องน้ําถูถู ถ, ถใหญ่เลยจิตเรารับรู้เต็มเต็มเลยนะต้องขอบคุณคนที่มันทําเปื้อนเห็นไหมถ้ามันไม่เปื่อนเราจะได้ทํางานหวะเราจะได้ทําความสะอาดนั้นได้เต็มเตมไม่ต้องไปรายงานเราทําจิตเรารู้แล้วนั่นแหละเราจะมีกําลังนะเราก็จะเรียนเก่งด้วยไปยึดมัน่นถือมั่นกับอารมณ์ตัวเองแล้วก็เครียด น, นะฟังพกูลองทําดูนะ ไปทำไอ้สิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำนั่นแหละเราทําในสิ่งที่ทําได้ยากเนาะนั่นแหละทำตรงที่รับตาคนแต่คนไม่เห็นเลย น, ะนั่นแหละทาความดีตอนนั้นได้เต็มๆ ม, มันพิสูจน์แล้วว่าเราไม่ต้องการหน้าตาไม่ต้องการสารรเสริญเห็นไหมเอาสมมติว่ามันทําเปื่อนเอาสมมติเราเผลอเอาถังเพื่อนให้อภัยทานเห็นไหมได้อภัยทานได้บา ร, รมีเต็มเลยเห็นไหม ถูให้มันสะอาดคนเข้ามาก็าชมอู้ห้องน้นมีสะอาดได้ธรรมาทานแสดงธรรมแล้วเอาแรงงานเราไปทำเนี่ยได้วัตถุทานเต็มเต็มถ้าคนฉลาดนะไม่ใช่ทาเอาหน้านะก็ค่อยๆเรียนรู้ด้วยกันเนาะเพราะครูก็ใช้เวลามาก่าสมควรละ่ะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภะษีรัตนาไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในส า, นากลจักรวาล พร้อมทั้งบุญบรารมีที่ได้ร่วงกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบนรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอญ